กระเด็นอะไรบ้างเชิญ <laughs> คื อ, อผมผมอ่านเจอตรงพระสูตรที่ตั้งอาศัยเกิดแห่งตันหาครับรรอาจารย์คือผู้เจ้าจ ะ, จ, ะจะได้ว่าตันหานี่จะอยู่ณนะที่ที่ภาวะที่เป็นที่รักยินดีในโลกแล้วท่านก็จะไดตั้งแต่ตาหู จ, จมูกจิตใจแล้วก็อาจจะไล่มาภายนอก แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆตามสายปลิตจาครับใช่แต่ทีเนี้ยมันมันจะมีตรงที่พอมาถึงตันหาตัวตันหาอีกเนี้ยท่านก็บอกว่าตันหาในรูปมีภาวะเป็นที่ที่รักที่ยินดีในโลกแล้วบอกเสียงลดรูปรดกลิ่นทำอารมณ์หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าตันหาซ้อนในตันหาอีกีใช่เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าตันหานี่มันเกิดตั้งแต่สัตตานังมันใช่มันหลงตั้งแต่ต้นแรกแล้วไม่ใช่ว่าจะจะมีอยู่แค่ตรงแบบเวลานะแล้วค่อยมาตันหาอ่าใช่ มันตั้งแต่ต้นขั้วเลยตั้งแต่ต้นไหลเลยหมดอย่างใช่ความอยากในอายุทยานาคลายนาคหรือขันห้าทั้งหมดใช่ฮะเล่มเล็กซิงเนี่ยมันโอ้โหมันซ้อนกันหลายชั้นมากเนี่ยแล้วทีนี้ตัวปัจจุประธานขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่อาการแค่อเวลาขันห้ามันมีเวทนาแล้วค่อยมีตัณหานไม่ใช่แค่ตรงนั้นตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ระบบตั้งแต่เข้ามาในระบบไปเลยใช่ ก็ดึกซึ้งเหมือนกันนะอีกขั้นหนึ่งเลยแสดงว่าฉันทะราคะอคําว่าความเพลินอะไรก็แล้วแต่มันเป็นคำกว้างๆอักษรวรุคสายนี่มันมีหมดที่เลยใช่มีาจ้อมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่อย่างนั้นที่นี่ก็ทุกที่เลยใช่โอ้โหขึ้นไปอีกขั้นเลยแล้วจะเห็นว่าโอ้โหแล้วพระเจ้าเหมือนว่าที่พระเจ้าบอกมันมันยุ่งเหมือนเหมือนปมได้ที่มันพันกันโนวเนีย หรือว่าญาที่มันลกลุงหลังใช่ครับแล้วผู้เจ้าสามารถที่จะแยกเแยะแบบจัดระเบียบให้เราเพื่อให้เราพอรู้ว่าอะไรมันเรียงไปยังไงยังไงแล้วเดี๋ยวคนยิ่งศึกษาลึกก็จะเห็นความซับซ้อนของมันว่ามันซ้อนกันซ้อนกันเป็นโอ้โหเนี่ยอเพราะฉะนั้นคําว่าตันหาที่ผู้เจ้าอธิบายในอริยสัจสีเนี่ยมันคือตั้งแต่สัตว์ตังนางหลงเข้ามาทั้งระบบเลยไม่ใช่เขามาแล้วตรงตันหาตรงสายตรงนั้นใช่ใช่ ก็ม <Ừ. S 2> ันก็จะสอดคล้องกับปฏิจจาสายเกิดแล้วก็สายดับเพราะท่านไล่แต่เพราะมีวิชาปัจจัยแล้วก็เพราะความจางกายทั้งหลายวิชาก็สอดคล้องกันหมดเลยใช่แล้วก็ตรงที่พระอรหันต์จะรักความเพลินในนิพพานใช่ไหมรักความเพลินในสังกตะอสังกตะทั้งหมดเลยใช่ไหมเพราะตูความเพลินก็คือพอใจพอใจก็กลุ่มของตัณหาหมดเลยอย่างนี้เราประเด็นที่2ครับพระอาจารย์คืออ่า คุณสมบัติของโซดาปฏิยังขั้นสีครับอาจารย์คือคนที่จะเป็นโสดาบันได้เนี่ยก็ศี่หบริบูรณ์แต่จริงๆส่วนประกอบสาคัญคือโสดาบฏิยั่งขั้สี่ที่ต้องมีในทุกๆอันชเพราะนั้นความไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย huh. อืจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะดูแค่วัตถะโกโตละบางคนอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พอ huh. เพราะว่าผู้เจ้าตัดไว้ในในพระสูตรที่บอกว่าเออมนุษย์เข้าถึงความกลัวแล้วเอาที่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้แต่ถ้าใครเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแล้วดูเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจก็จะเป็นที่พึ่งงานเกษมท่านท่านได้บ่งบอกมายะตรงนี้แล้วว่าความไม่หวนไหวในผู้พุทธมัสส่งเนี่ยจะต้องรวมในยะของอริยสัจสีด้วยก็เลยมาคิดว่าคนที่เออสี่ห้าบริบูรณ์นะแล้วก็ไม่หวันไหวในในพร้พุทธมรสส่งไม่เอาเทพไม่เอาพระเครื่องไม่เอาอะไรทั้งอืแต่ขี้เกียจปฏิบัติอก็ไม่ใช่โสดาบันอยู่ดีเพราะเขาต้องปฏิบัติตรงนี้ด้วยก็คือมีสถัทธาแล้วปุ๊บจะเกิด ความเพียรใช่ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเขาจะบรรลุความเพียรแล้วนะอ่าเขาจะทำศีลให้บริบูรณ์เนี่ยอ่าแล้วทีนี้มันจะมีตรงที่เป็นเป็นตัวบ่งชี้เหมือนแบบเป็นอิเดคเตอร์สุดท้ายว่าคุณจะเป็นอ่โสราบันขั้นต่ำสุดคือสตตะคัตตุปอลมาะหรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าความทุกข์ของคุณที่มีอยู่เนี่ยจะเท่ากับเศรษฐิปายเล็บที่ลี อ้โเพราะฉะนั้นนี่อุปทานนี่หายบานนะฮะใช่เพราะฉะนั้นคำว่าโสดาบันจริงจริงมไม่ไม่หมู่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปคิดเอาว่าฉันเป็นแล้วจริงๆมันต้องมันต้องเช็คกับตรงนี้ด้วยว่าความทุกข์ในใจเราเนี่ยจริงจริงความทุกข์มันคือทุกอย่างเลยเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหลือน้อยมากจริงๆอืงใช่เพราะฉะนั้นก็เลยโอ้จริงที่เราคิดว่าก็ไม่ง่ายในในความเล็กซึ้งก็ นในคำพจ้ามีความลึกซึ้งอย่างนั้นครับบางทีคนมองเผินๆก็นึกว่าง่ายเหมือนกับว่าพวกที่เราฟังคําสาบกมาเรื่อยๆเนี่ยเรามองคำพจ้าแรกๆเอ๊ะมันง่ายเกินไปมัง้งโอ้ไม่ใช่นี่เพราะเขายังไม่ศึกษาคำพุทธว่า ม, มีความลึกในความง่ายที่เขามองแรกๆเนี่ยมันลึกึกกๆๆเข้าไปเรื่อยๆอแล้วมีอีกประโยคสุดท้ายครับคื อ, อมีม บุรุษสี่แบบครับที่ที่สร้างบ้านแล้วก็ไปอยู่ด้วยแล้วสร้างแต่ไม่อยู่ออยู่แต่ไม่สร้างแล้วทั้งอยู่ทั้งสร้างอสี่อันเนี้ยตัดไอ้ไอ้ที่ไม่อยู่ออกไปเลยสองอันก็เหลือแต่สร้างกับไม่สร้างไอ้ที่สร้างเนี่ยคือจะรู้ปริยัติรู้ปริยัติแล้วก็ปฏิบัติอริยสัจสี่แล้วเห็นแจ้งซึ่งอริยสี่ด้วยทีนี้คําถามผมคือคนสองประเสองประเภทเนี้อันไหนเดียวกันครับสร้างหรือไม่สร้างดีกว่า สร้างหรืไม่สร้า ง, างคือถ้าไม่สร้างเนี่ยเขาก็ยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแค่นั้นแต่ศาสนาจะดำรงอยู่ไม่ได้ไม่มีคนถ่ายทอดต่อใครมาเกี่ยวข้องกับโยมก็บอกไม่รู้สิไม่รู้ ส, ไสิไม่รู้ตลอดเลยเราจะไป ป, ปฏิบัติงไงเนะ่ะก็เดินกันเองแล้วกันอย่างงี้อ่าใช่ไหมศา ส, สนามันก็อยู่ไม่ได้น่ะมันต้องมีคนดำรงคาสอนออย เราก็ถ่ายทอดต่อถ่ายทอดต่อขอบขอพระคุณครับอาจารย์เพราะเราก็ต้องดูจากตัวเราเองเราได้เพราะอะไรก็เพราะได้ฟังคำพุทธเจ้าเอาแล้วคนอื่นน่ะถ้าเขาไม่ได้ฟังคำพุทธเจ้าเขาจะไปได้ได้ยังไงเขาก็ต้องได้ฟังคำพุทธเจ้าใช่ไหมอ่าแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังเพราะอะไรเพราะเราถ่ายทอดต่อเขาไม่ได้ <laughs> หมดท่าเลย <laughs> อ่ า, าเชนของพ่อคะขอไม่งเดียวกันปัดเจพุทธเจ้าพระอรหันตธรมมากับพุทธเจ้าต่างกันยังไงคะก็แก่สอนกับไม่สอนลักษณะนีย้ยยเหมือนกันคือตัดสรู้ด้วยตนเองเหมือนกันไม่ต้องมีใครสอนแต่พระปัดเจกก็ไม่ไม่ได้สอนใครไม่ไม่ไมสแสวงหาลูกศิษย์อะไรนี่นะ แต่สัมมาสัมพุท ธ, ธาเนี่ยจำแนกแจกแจงเปิดเผยทำให้เป็นเหมือนการไหของที่ควา้างจะพยายามบอกบอกสอนนะอย่างงี้นี่คือความต่างกันอีกอันค่ะฉันทา ก, กับความรักในตามพุทธวจนะต่างกันเหมือนกัน <c oughs> จริงในความละเอียดตรงนี้พระเจ้าก็แบ่ง <c oughs> แบ่งดีกรีไว้เหมือนกันนะแต่มันต้องไปดูในคำบาลีว่าใช้ว่าอย่างไงแต่ตัวตัวภาษาไทยเนี่ย <c oughs> อย่างเช่นว่า จอมเทพก็ถามว่าอืมการทะเลาะเกิดจากอะไรครูอาจารย์บอกอิจฉาและตรณีอิจฉาทรณีเกิดจากอะไรสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักสิ่งเป็นที่รักไมไม่เป็นที่รักเกิดจากอะไรนะความอา่พอใจไม่พอใจความพอใจไม่พอใจเกิดจากเกิดจากความยินดีไม่ยินดีโอโอหภาษาไทยมันไม่แยกชัดขนาดนั้นใช่ไหมเราพูดยินดีไม่ยินดีกับพอใจมันก็เหมือนกันนะ แต่พระยาจะโอ้โหสเต็ปสเต็ปไม่เหมือนใช่ใช่มีนิดหนึ่งอะอย่างเงี้ย <laughs> จ, จ, จิละเอียดอนะนะคะใช่ใช่อ่นนี้เราก็พูดได้ในลักษณะของกลุ่มกลุ่มเดียวกันอย่างี้ฉันทาราคะนันทิตาหาอืพวกนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มโลภะนะอ่ากลุ่มยินดีพอใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะซอยย่อยปุ๊บ ก็จะมีสายย่อยลงไปอีกว่าในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอะไรมีเลเวลนะมากน้อยแค่ไหนอืการที่ใครคนใดคนหนึ่งต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับต้องมีตัณหาไหมคะก็ต้องมีอยู่นะเพราะว่าแม้ว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์ก็ตามก็ต้องมีตัณหาก็คือมีธรรมารามโมมีทำเป็นที่มายินดีมีภาวนารามโมมีการภาวนาเป็นที่มายินดีนะ ปหารมารโามปหารกิเลสเป็นที่มายินดีการไม่พยาบาิเป็นที่มายินดีมีปวิเวกเป็นที่มายินดีมีความไม่เนื่นช้าเป็นที่มายินดีนี่คือความยินดีหกอย่างที่ต้องมีก่อนอย่างงี้อ่าอาศัยสัญ้าเพื่อเพื่อละต่อไปได้นะเจ็บลิน้นพูดไม่ค่อยช น, นัดลิ้นเป็นแผลเ่น ศาสตัาการท่านพระอาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยในเรื่องของปฏิสติปฐานส uh ี huh. uh ่ huh. ครับกายเวทนาจิตธรรมสงสัยข้อตรงธรรมครับ uh huh. ข้อที่ส uh huh. ่ที่พริรณาถึงความที่พริรณาตามเห็นความไม่เที่ยง <Sure. S 2> นี่เราจะต้องคิดไปด้วยไหมว่าความไม่เที่ยงก็คือ รูปเวทน า, ารูปขานเวทนาขานอะไรต่างเียหรือว่าให้เกิดเองโดยที่ทเราไม่ต้องไปคิดเองอยู่ที่โยมจะปล่อยวางตัวไหนถ้ายอมปล่อยวางตัวรูปเนี่ยมันได้ทั้งดูเฉยเฉยกับคิดนะใช้ความคิดมาคิดเพื่อปล่อยวางรูปเช่นพิณาอสุภะพิณาอาหารเป็นปฏิกูล <c oughs> หรือถ้าจะปล่อยวางรูปแบบดูเฉยเฉยก็คือรู้ลมหายใจขณะที่ลมหลุดไปปุ๊บรูปดับ นามเกิดอืมเป็นอย่างงี้เราจะเห็นการดับของรูปโดยอิงกับวิญญาณขันนะแต่ถ้าโยมจะมาพิจารณาตัววิญญาณขันเพื่อปล่อยวางวิญญาณขันโยมจะคิดไม่ได้เพราะถ้าคิดปุ๊บก็วิญญาณถูกใช้งานแล้วโดนมาหลอกอีกแล้วเพลอไปกำมันเพลินไปกำมันอีกแล้วโยมก็ต้องนิ่งๆนิ่งๆเพื่อดูวิญญาณดับวิญญาณเกิดวิญญาณดับวิญญาณเกิดอย่างนี้ออื ครับอีกข้อหนึ่งครับคือวิญญาณขันครับวิญญาณขันกับคาว่าวิญญาณญาตนะญาณความหมายลึกขนาดไหนครับวิญญาอะไรนะนันจาอรูปธรรมอรูประสัญญาสมารถใช่ไหมวิญญาณันจาญตนะใช่ไหมวิญญาณัจาญาตนะครับกับวิญญาณที่รับพิจา ตอนต้นเนี่ยมันมันความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับมันเป็นรูปสัญญาอารูปสัญญาอันหนึ่งเป็นการที่วิญญาณการวิญญาณธาตุเนี่ยเข้าไปหมายรู้ในสัญญาอันหนึ่งในวิญญาณัญจายะนะนั้นอากาสาวิญญาอากินในวัฏสงายนี่เนี่ยพุทธเจ้าจัดเป็นอารูปสัญญาเป็นสมาธิระดับอารูปสัญญาการเข้าไปหมายรู้ในอารูปคนหมายรู้คือใครคนหมายรู้คือวิญญาณธาตุ อีกข้อหนึ่งครับข้อสุดท้ายที่ตื่นเต้นเลยนึกไม่ค่ยจะออกไม่เป็นเลยเดี๋ยวลองนึกออกนครับผมขออนุญาตถามทีหลังนะครับได้ได้ กาดค่ะถามเรื่องเ<อ>บาๆนะคะอราไม่ทราบหลวงพ่อคงไม่ได้ดูถ้าใครดูละครตอนเรื่องพรหมอุณยเวงวันในข่าวนี้นค่ะที่กําลังฉายอยู่ตามพุทธวจนะแล้วลักษณะอย่างนี้มีจริงไหมที่ว่าวิญญาณแลกล้างกันนะค ะ, ะไม่ไม่มี<อ>ไม่มีใช่ไหมครเพราะว่าพระเจ้า บ, บอกว่าเมื่อเมื่อสัตว์ได้อัตราใดอัตราหนึ่งแล้วเนี่ยจะไม่ได้อัตราแบบอื่น ถึงแม้เขาได้อัตราความเป็นพวกเทวดาเนี่ยเช่นกายสําเร็จด้วยใจหรือเทวดาในขั้นอรูปอรูประสัญญา<ม>เขาก็ไม่สามารถมาได้กายที่เป็นมหาบุต ธ, ธาสีได้เนี่ยพระเจ้าจัดไว้แล้วนะนั่นนั่นมันจะมาแลกวิญญาณกันไม่ได้ในระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ใครได้อันนั้นแล้วจะได้อ น, นั้นไปจนแตกทำลายกายแตกทำลาย ตอนนี้นวนิยาญฝรั่งไทยก็ก็เชื่อเรื่องอย่างนี้ค่ะออืแต่ตามพุทธวจนะเราเป็นไปไม่ได้สัตว์ตัวไหนคลองติดข้องในวิญญาณไหนก็อยู่อย่างงั้นใช่ไม่ไม่สามารถไปไปไปเอาไปนั่นร่างอื่นได้ที่โยมพูดว่าติดข้องในวิญญาณไหนก็อยู่ในวิญญาณนั้นไม่ใช่เพราะวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดวิญญาณทั้งนั้น แต่วิญญาณไม่มีของใครนะแต่ร่างกายเนี่ยมีมีของใครมีเป็นมหาพุทธธาตุของแต่ละแต่ละสัตว์ที่เข้ามายึดนะจนกว่าอัาภาพนี่จะแตกทําลายแต่ตัววิญญาณธาตุเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับเกิดดับรวดเร็วมากอยู่ตลอดเวลาเลยสัตว์ผู้มีวิชาจะเป็นคนเข้ามายึดวิญญาณและวิญญาณจะเข้าไปตั้งอาศัยในรูปธาตุนี้อีกทีหนึ่งหรือนมามธรรมอีกสามตัวอย่างนี้อ่า วิญญาณเป็นของกลางเหรอคะเป็นของกลางเหมือนแสงผู้เจ้าอุปมาเหมือนแสงที่มากระทบฉากในนั้นวิญญาณไม่ใช่ของใครคําพูดที่พูดว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดจึงเป็นนิจชาทิฐิผู้เจ้าจึงต่อต้านตรงนี้อครับผมผมในคอร์สเช่นเดียวกันความปรารถนาของผู้ปฏิบัติธรรมบางหมู่บางพวกก็คิดว่า ปฏิบัติธรรมแล้จะไปเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็ตามตามที่ตนเองปรารถนาปฏิบัติท่นี้ถ้าบุคคลที่ไม่ต้องการที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดคือเบื่อหน่ายเต็มที่แล้วอะไรเนี่ยนั่นกหมายความว่าไม่ต้องการกลับไปเป็นชาติใดๆทั้งนั้นพบภูมิใจทั้งนั้นถามว่าอันนี้เนี้ยถ้ามันยังไม่ถึงที่จะต้องบรรลุ อย่างเงี้จะไปไปเกิดในภพภูมิไหนครับครับถ้ามันยังไม่ถึงมันเป็นไปของมันเองตามอารมณ์สุดท้ายของเขาตามกําลังอินทรีย์ของเขาแต่อันแรกก็คือคนที่ปฏิบัติแล้วปรารถนาไปเป็นเทพนิการชั้นใดชั้นหนึ่งเนี่ยพระเจ้าบอกว่ามันเป็นการประพฤติปรมจาจันที่เศร้าหมองเป็นความเป็นความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของปรมจาจันเป็นการประพฤติปรมจาจันของคนผ่านไม่ใช่บัณฑิต ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนให้ประวิทิ์พรมจารท์เพื่อไปเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งแต่ถ้าตั้งเป้าสุดแล้วมันไม่ได้มันจะหล่นมาเองของมันนั่นแหละนะแสดงว่าเรายังมีอุปธิความยึดมั่นเหลืออยู่นะครับกับนวัตสการพระจานครับขอการตัวปฏิจาติสมุกบาทนะครับในช่วงของพัสดกเวทนาครับ คือดูแลเนี่ยตัวภาษามันก็ถืยว่าเป็นเหตุปัจจัยทั้งทั้งกามทั้งกรรมทั้งเวทนาทั้งสัญญาด้วยนะบก็คือเยอะในในส่วนของตัวภัษาเปนเหตุปัจจัยเยอะทีนี้เนี่ยผมก็เลยลองหยิบมากวิธีตัวละนันติมาจับที่ตัวภาษาครับคือตากระทบรูกหูกระทบเสียงต่างต่างก็คือกลับมาอยู่ที่ลมแล้วก็อยู่ที่อุเบขา ทีนี้เนี่ยอการทําแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผัด ส, สะถือว่าเราดับผัด ส, สะไหมครับหรือว่ามันไปหรือว่าในอัตภาพปัจจุบันเนี่ยยังไงยังไงผัดสะมันก็ดับไม่ได้เพราะว่าสลา ย, ยตระต่างๆมันกระทบกันแต่ว่าหรือว่าถ้าเราไม่สําคัญัติหมายในในผัด ส, สะในการกระทบนั้นๆเนี่ยก็ถือว่าดับแล้วก็คืออย่างที่ยมทํำมันก็ก็ดีแล้วก็ถูกแล้วแต่มัน <c oughs> มันจะทําทยากครับเพราะว่าถ้ากําลังเราไม่พอเนี่ยทำไปป๊บเดี๋ยวก็พอใจแล้วหมดแรงมันไม่ทันเพราะว่าวิญญาณมันเกิดดับเร็วมากนะแต่การทําตรงนี้ก็เป็นเหตุให้ให้บรรลุทำได้เร็วถ้ายอมจับตัวนี้ตัวเดียวไปเรื่อยๆนะที น, นี้ขั้นตอนที่จะเป็นพระราหันได้นเนี่ยมันต้องทําอย่างนี้แหละจนกระทั่งเร็วเท่ากับความเร็วสติมันต้องเร็วเท่ากับการ ทีจิตเกิดปุ๊ปุ๊บ ป, บปบแต่ละดวงเนี่ยน ะ, ะถึงจะสามารถที่จ ะ, ะเบื่อหน่ายเกิดนิพพาในวิญญาณแล้วเมื่อวิญญาณดวงนี้ดับลงก่อนวิญญาณดวงใหม่จะเกิดไม่อยากได้สัตว์เพิงมีวิชาไม่อยากได้หมดวิชาแล้วนะหรือว่าน้อยมากแล้วเบื่อหน่ายในวิญญาณแล้วเกิดความไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ต่อไปไม่อยากรู้อะไรต่อไปแล้วปุ๊บมันจะเกิด ความรู้สุดท้ายขึ้นมาที่มันเป็นคนรู้วิญญาณอีกทีที่เป็นคนรู้กันห้าทั้งหมดนั่นนะ่ะมันมันต้องเร็วถึงจุดนั้นแล้วทีนี้มันก็จะกลับมาสภาวะอย่างเดิมเพราะถอนรูปท า, านหมดแล้วเป็นพรลานแล้วังนั้นในจุดที่จะจะเข้าปุ๊บเนะี่ยมันต้องจี้ลงไปให้ทีเลยนะสติต้องถูกฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยๆพระเจ้าจึงให้เราเดินไปถึงอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนะี่ยจิตสร้างพบปุ๊บว่างสร้างพบปุ๊บว่างกับพิตาเดียว ไม่ผูกอารมณ์ไปแล้วผูกไปปุ๊บเนี่ยนานๆเนี่ยสร้างภพประชาติและใช่ไหมต้องตัดชาติตัดชาติตัดชาติลงมาเหลือสร้างภพปุ๊บดับสร้างภพปุ๊บดับนี่อนินทรีย์พลานชั้นเลย น, นี่ภพเกิดเกิดพิจารเดียวระดับนี่ใช่ไหมครับก็แม้ ว, วันนี้อาจจะอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นก็ก็เดินเดินแบบนี้ก็ก็ดีเลยจองทำซ้ำไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวถึงเวลาวันหนึ่งมันก็ถึงเวล า, วนน เ, วลาเป็นเวลาของมันเองใช่ มันจะเกิดความสํานานขึ้นสติจะเร็วขึ้นไวขึ้นนะครับขอบคุณครับเรลีน้ำมกาศอาจารย์ครับ<อ>ผมจะขอโอกาสรายงานเรื่องการทําเว็บพุทธชนะพุทธวัจนะคําถามคําตอบนะครับ<อ>หรือเว็บพุทธวัจนะ FAQ นะครับ<อ>หลังจากที่เราได้ทดลองใช้เปิดใช้เว็บพุทธวจนะคําถามคำตอบมาสักระยะหนึ่งตอนนี้ก็มีคําถามอยู่พอประมาณ แล้วก็มีผู้ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอนะครับมีคนเข้าชมประมาณวันละร้อยกว่าคนครับนะครับแล้วก็วกมีคาถามอยู่ประมาณ<อ>ครับขออธิบายตรงนี้นิดหนึ่ง a อ a เอคนี่คื อ, ค, อคือการประมวลคำถามยอดฮิตทั้งหลายนะนรกมีไม้สวรรค์มีไหมนี่ต้องทำยังไงจิตต้องผูกอารมณ์ไปไมมอะไรเราจะประมวลจากคำถามที่ยอดยยมถามมาเป็นสิบสิบปีอย่างนี้นะแล้วก็ ผู้เจ้าตอบไว้ตรงไห น, นเราจะตรงนั้นมาโดยที่เขาก็จะโยมก็จะเอ า, อาคลิปวิดีโอที่อาตมาพูดถึงพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาแล้วก็มีพระสูตรโยงจากคลิปวิดีโอนั้นไปสู่พระสูตรอีกทีหนึ่ง ว, ว่าพระสูตรไหนบ้างออกมาปุ๊บปโยมก็จะได้คําตอบโดยคำสาขาด้วยทั้งหมดแบบสั้นแบบเต็มมีให้ครบหมดเลย อย่างนี้นี่ลักษณะเช่นต่อเพราะฉนั้นตอนนี้คําถามทึ่งทําขึ้นมาตอนนี้มีทั้งหมดประมาณร้อยแปดบหกคถามครับอาจารย์แล้วก็จะมีคําถามที่มีทั้งคลิปและผัสูตริบแปดถามนะครับมีคลิปอย่างเดียวยังไม่มีผัสูตร9บเก้าถามครับแล้วก็มีพัสตรอย่างเดียวเนี่ย9คําถามอก็จะใช้เวลาตั้งเป้าหมายไว้ว่าสิ้นปีเนี่ยจะอยากให้ได้ถึงพันคำถามนะครับตอนนี้ก็มีผู้สนใจมากแล้วก็มีคนสนใจทั้งเข้ามาศึกษา แล้วก็คนที่สนใจเข้ามาร่วมงานในการทําเว็บนะครับซึ่งการเข้าเว็บผมขอประชาสัมพันธ์โอกาสประชาสัมพันธ์นตอนนี้ก่อนเลยนะครับการเข้าเว็บก็เข้าไปที่เว็บหลักของวัดนะครับที่วัดนาพีพีดอคือถ้าเป็นวัดนาพีพีดอเนี่ยเข้าไปมันจะเป็นจะมีเมนูให้คลิกจะคลิกไปที่เมนูที่ว่า FAQ นะครับเป็นภาษาอังกฤษก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บหน้าแรกของ เว็บพุทธวจนะคําถามคําตอบนะครับหรือถ้าเข้าอีกเว็บหนึ่งเว็บหลักของวัดคือวัดนาป่าพง .com ก็จะเป็นเข้าไปคลิกที่ตรงเมนูที่เขียนว่าคําถามที่พบบ่อยนะครับก็จะเข้าไปที่หน้าแรกของเว็บว่าพุทธวจนะคาถามคําตอบนะครับหน้าแรกนี้จะไปขึ้นที่หน้าคําถามล่าสุดนะครับคำถามที่อยู่บนสุดนี้จะเป็นคําถามที่เราทําเข้าไปใหม่นะครับอาจจะเป็นคําถามเก่าแต่มีการเพิ่มเติมพระสูตร หรือคลิปวิดีโอเข้าไปก็จะไปขึ้นเป็นคําถามแรกนะครับในหน้าแรกนี้ก็จะมีคําถามแสดงว่าประมาณ30คําถามนะครับเป็นคำถามแรกนะครับแล้วก็ในเว็บนี้เราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆก็ประมาณว่ามีหมวดหมู่การปฏิบัตินะครับอริยสัจสีปฏิจจสมุปบาทโดยจะมีแยกผู้เริ่มปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติเก่าแล้วก็มีหัวข้อแยกเป็นอริยวินัยอริยบุคคล ความหมายคําศัพท์และก็หมวดหมู่ทั่วไปนะครับก็จะรวบรวมจากคําถามึือซึ่งบางครั้งเนี่ยการรวบรวมจากคําถามนี่บางบางบางครั้งจะเป็นที่พระอาจารย์ได้แสดงบรรยายธรรมโดยไม่มีคําถามเราก็จะตั้งคําถามขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยจะมีพระอาจารย์ท่านบรรยายธรรมยาวมากเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอที่ขึ้นไปก็จะยาวอาจจะมีปัญหาคือบางท่านอาจจะยังโหลดโหลดแล้วมันไม่มาหรือมาช้าแล้วกาลังทางทีมงานกาลังทําการปรับปรุงอยู่นะครับ ถ้าองค์ประกอบของแต่และคําถามเนี่ยถ้าสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีพระ ส, สูตรหรืออาจจะเป็นคลิปเสียงที่พระอาจารย์ท่านบรรยายทําไว้นะครับแล้วก็คลิปคลิปพระ ส, สูตรต่างๆเนี่ยจะตัดท่อนที่เกี่ยวข้องกับคำถามมาไว้แต่ก็จะมีลิงก์คลิกไปจะเข้าไปที่อ e ีทิพยสกัดได้นะครับเพราะนั้นท่านจะศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดจากคําคำถามคำถามใดที่มีความสมบูรณ์แล้วจะศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ แล้วถ้าการเข้าไปดูแต่และคำถามเนี่ยก็คลิกจากหมวดหมู่เพื่อที่จะเข้าไปถึงคำถามหรือจะมีอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าซึ่งคลิกเข้าไปจะเป็นหน้าที่ระบุว่าเป็นคำถามที่มีผู้สนใจมากที่สุดนะครับแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านไม่สามารถที่จะไปหาคำถามไหนได้เลยเนี่ยก็จะมีช่องทางให้ทำการค้นหามีช่องพิมพ์คีย์คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับเช่นพิมพ์คาว่า ง, งานสพ พิมพ์คำว่าทานหรือพีิมพราำว่าสัตตานังแล้วก็ค้นหาเข้าไปข้อบูลที่อยู่ในเว็บทั้งหมดนะครับทั้งในพรสูตรแล้วก็ในคําถามเนี่ยก็จะขึ้นมาให้ท่านเลือกเลือกได้นะครับว่าจะไปดูตรงไหนนะครับยกตัวอย่างคําถามที่โพสต์ไว้แล้วบ้างก็เช่นการจัดงานศพตามพุทธวัฒนธรรมอย่างไรอย่างนี้นะครับเช่นคําถามว่าสัตตานังคืออะไรอันนี้ก็จะมีวีดีโอทึ่ยาวมากซึ่งพระอาจารย์ท่านได้บรรยายทําไว้ละเอียด ถ้าใครศึกษาแล้วจะเข้าใจเรื่องสัตตานังแน่นอนครับ เ, รเช่นคําถามว่าอาณาปนสตินําไปสู่สติปัฏฐาน4เ่พ่อชงเจ็และวิมุตได้อย่างไรอย่างนี้พระอาจารย์ก็ได้บรรยายทําไว้ยาวและละเอียดนะครับทีนี้การทํางานของทีมงานนะครับที่จะบอกการทํางานของทีมงานเพราะว่าต่อไปเราต้องการทีมงานเพิ่ ม, เ ต, มเติมนะครับเริ่มแรกเราก็จะทําการตั้งคําถามก่อนหรือไปเก็บคําถามที่มี ผู้ถามนะครับผู้ศึกษาผู้ทที่ถามผู้อาจารย์แล้วก็หรือหาคําถามจากที่มีวีดีโอบันทึกไว้แล้วก็นําวีดีโอหรือบันทึกเสียงที่พระอาจารย์ตอบคาถามหรือแสดงทำนี่นะครับมาตัดในส่วนที่ตรงกับเนื้อหาของคําถามแล้วก็จากนั้นก็หาพัสูตรนะครับมาประกอบวีดีโอหรือเสียงที่พู้อาจารย์ท่านบรรยายทำแล้วก็นําสิ่งต่างๆ่างเราเนี่ยโพสเข็นไปไว้ในเว็บนะครับจากนั้นก็ตรวจสอบว่าการทํางาน ใช้งานได้ปกตินะครับโดยเว็บเนี่ยตอนนี้จะจะไม่หยุดนิ่งนะครับบางท่านเข้าไปดูเว็บในวันหนึ่งในคําถามหนึ่งอีกวันหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆหม่ใส่ขึ้นไปเพราะทีมงานจะทํางานทุกวันเพื่อที่จะเอาคลิปวีดีโอหรือพระสูตรที่ที่เกี่ยวข้องที่หาได้เจอเพิ่มขึ้นเนี่ยใส่ขึ้นไปในเว็บนะครับและเว็บนี้ก็ยังต้องการการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นอีก ก็จะพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับโดยปัจจุบันก็มีทีมมีทีมงานอยู่พอสมควรแล้วก็มีอีกหลายท่านที่เสนอขอเข้ามาช่วยทำนะครับเพราะนั้นก็จะขอประชาสัมพันธ์นจุดนี้คือทุกท่านที่ศึกษาพุทธวัจนะนะครับสามารถมาร่วมเป็นทีมงานทำเว็บ FAQ ได้นะครับเช่นช่วยกันแนะนำวิดีโอในบางท่อนบางตอนที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นท่านก็แจ้งมาทางทีมงานได้ว่า น่าจะเอาวิดีโอนี้ขึ้นนะครับหรือจะไปพบพระสูตรใดๆที่ตรงกับวิดีโอดีๆก็สามารถที่จะแจ้งมาทางทีมงานได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านจะเข้ามาร่วมทีมงานเลยก็มาร่วมกันช่วยกันหาวิดีโอตัดคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงแล้วผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนเว็บการพัฒนาหน้าเว็บนะครับสามารถที่จะเข้ามาให้คําแนะนําได้มาช่วยกันได้นะครับ และทุกท่านที่มีข้อเสนอแนะอื่นๆใดๆหลังจากเข้าไปศึกษาในเว็บแล้วก็แนะนำทางทีมงานได้นะครับทีมงานก็จะปรับปรุงเว็บให้ดีขึ้นแล้วก็จะทิ้งไว้เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับผู้ศึกษาพัฒนาสื่ไปนะครับตอนนี้ก็มีทีมงานอิสระบางทีมนะครับอาจารย์ครับที่ทําโพสไปไว้ใน u t u b e บ้างใน a c e บ o o k บ้าง ทำลักษณะคล้ายๆกันซึ่งทางทีมงานของเว็บ FAQ ก็จะไปนำข้อมูลเหล่านั้นขอข้อมูลของท่านที่ไปโพสต์ไว้เนี่ยนำมาลงในเว็บ FAQ เพื่อ ท, ท, ท, ทุกข้อมูลทุกเนื้อหาที่มีประโยชน์ในการศึกษาพุทธวจนะเราถือว่าใช้ได้หมดนะครับโดยที่เราก็จะไปขอเจ้าของที่เขาโพสต์ไว้แล้วก็นำมาลงแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับเว็บนะครับถ้าท่านใดต้องการ สนับสนุนการทำงานเว็บ FAQ หรืออาอยากจะให้ข้อสเสนอแนะใดๆนะครับสามารถแจ้งได้นะครับเราจะมีอ e ีเมลว่าพุทธวัฒนะ FAQ gmail com นะครับพุทธวัฒนะก็เติม FAQ เข้าไปแล้วก็ gmail com สามารถส่งข้อมูลให้ทีมงานได้ทีมงานก็จะนำไปปรับปรุงนะครับใครมีอะไรแจ้งได้แจ้งได้หมดนะครับบอกทีมงานได้ทางทีมงานจะปรับปรุงเว็บเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านสืบต่อไปครับผม ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ขอบการท่าน อ, อ า, า<ข>อจารย์ครับทราบโดยทั่วกัน <c oughs> ผม <c oughs> ยไม่เคยเคยเ ค, ยเคยผ่านๆท่านเองไม่เคยคิดกันดูราละเอียดเท่าไหร่พระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอการาจารยสักสักช่วงหนึ่งนะครับคือคาถามที่จะที่ผมค้างไว้ตังแอ่เข้ามาทราที่แล้วต้องไปค้นคว้าต่อนี่ครับผมก็ลองไปไปคนคว้าแล้วก็ อาจารย์ให้อาจารย์ช่วยวิ็ดเส้เปอนอ uh huh. คือพระอาจารย์คิดที่หนึ่งนี่เป็นพระสูตรที่ที่ผมทำเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับที่สุภาธาตุเรื่องของสังฆารวสเสศสมาบัตินะครับที่นี้คิดผมก็ลองไปไปไปไปคนดูนะครับใช้คําว่าสุภาในคนพระสูตรจะมีประมาณสักยี่สาิบพระสูตรประมาณยี่สิบแปดยี่สิบดระสูตรแต่ส่วนใหญ่จะเป็น จะเป็นคําพระสูตรพราสิกงั้นคําที่เป็นเป็นสุภาจริงๆเนี่ยค้เจออยู่พระสูตรเดียวครับมีชี้ที่สองนะครับออืที่ที่สองนี่เป็นอยู่ในเล่มที่สามสิบเอ็ดนะเป็นพระสูตรเล่มที่ยี่สิบสามที่บอกว่าพิสูจน์เป็นข้อที่สามร้อปหกชี้ชี้ที่สองนะครับอาจารย์พิสูจน์ใดเจริญอานาปัตสติให้บริบูรณดีแล้วอบรมแล้วตามลาดับ ตอนที่พระเจ้ทาทรงแสดงแล้วพิสูจนนั้นย่อมทําโลกนี้ให้สว่างไสวเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้นแล้วก็มาต่อลังจะมีคําว่าภาวนานในคําว่าสุภาวิตายตรงนี้ตรงนี้ที่จริงพอถึงบทนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมนตอบโจทย์ของของพระสูตรมดแรกหรือเปล่าะมันมันไม่ได้เพราะมันเป็นอัจฉริยะครับผมก็ดูแล้วไม่ใช่คําพระเจ้าใช่แต่ถ้าดูในใน ที่ที่หาในอีไตแล้วเนี่ยไม่มีพระสูตรบทไหนเลยครับที่จะมานึกนึกคร่าวๆนึกได้ในเรื่องของวิโมกยยอมลองไปหาในเรื่องของวิโมก8ถ้าผัานผ่านตาเนี่ยจะตั้งจิตใหออ้อยู่ในความงามกับความไม่งามอันนี้ลองดูซิบาลีใช้สุภาหรือเปล่า<ม>นะ <O> ใช่ใช่ นั้นออย่างที่บอกเนี่ยที่ผ่านๆตาเนี่ยนะก็คือสุภาเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องของอ่ความงามของกายอะไรอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องแบบการมุมมองของธรรมชาติอ่าว่ามองสิ่งทั้งหลายเนี่ยงามหรือไม่งามอย่างเนี้ยน่าจะอยู่ในเรื่องของวิโมกข์แบบจริงพระสูตรอหลังเนี่ยก็ผมก็เห็นว่ามันน่าจะไม่ใช่คำปริชาแต่พวเลย้ําอธิบายมันสอดคลองไปทํานองนั้นการอธิบายที่ความ ตัวสวยเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากหม อ, อกอะไรอย่างเงแล้วก็แล้วก็ฮะถ้าเป็นท่านน้องนี่นก็เลยเลยไม่แน่ใจนะครับ อ, อืออ ย, อย่างบางทีเขาก็เอาจะเอาวลีคําพูดของผูง้เจ้ามาเนี่ยมามาใช้ใชอย่างเงี้ยงั้นผมไปอีกเรื่องนะครับอ อ, อ, อ, อีกเรื่องนี้เรื่องของอาหารสี่นะครับ อ, อ, อาหารสี่อันแรกก็คือเรื่องของกะปรีกะลาหานะครับเรื่องกะปรีละกะลาหานี่ย จริงผมว่าในที่นี้หลายท่านก็คงจจะเคยผ่านสูตรนี้ที่ ท, ที่มีชายหญิงต้องเดินทางผ่านที่กันดานแล้วก็ตัดสียงงาอาหารก็ต้องฆ่าลูกน้อยคนเดียวเพื uh ่อทำเป็นเนื้อเค็มแล้วเนื้อย่างจะได้เดินทางข้ามกันดานได้ uh huh. อือวันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับไปผมก็พอดีไปยุ่งไม่เข้าเรื่องนิดหน่อยก็คือตอน uh huh. พระอาจารย์จําได้ไหมครับเมื่อตอนสักกล า, างปีที่แล้วเนี่ uh huh. พระอาจารย์ไปเทศที่ที่ ยุวพุทธนะฮะอะแล้วมีคนถามคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเคยอ่านเจอในในไตรปิฎกจังวันไหนไม่ทราบว่าน่าจะแปลกเกินว่าไม่ได้ฆ่า อ, อน่าจะว่าบุตรน้อยคนนี้ตายเองออแล้วพ่อแม่ก็เลยเอาเนื้อมาทําเป็นเนื้อเค็มนั่นเองเข อ, อกว่คือพระอาจารย์บอกว่าเออบทนี้พระสูตรบทนี้นโหดอืใครๆอ่านก็ต้องรู้สึกว่าฟังโหดพ่อแม่ฆ่าลูกเอาเป็นเสบียงนั่นนะฮะใช่ใช่ครับ ตอนนี้ก็เลยผมก็เลยลองลองไปดูเนี่ยลองค้นดูนิดหนึ่งคือในในบัลรีสยามรับสาไทยนะั้นแน่นอนเขาใช้คำว่าช่วยกันข่าบุตรไน้อย uh huh. คนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสีย uh huh. ทำให้เป็นเนื้อเข็มเนื้อยากนะฮะในไปดูในมหาจุฬาก็ใช้คำว่าค่า uh huh. ในมหามกุฎก็ใช้คาว่าค่าของท่านที่แรกรบอกค่า แล้วจะมีภาษไทยเฉวาะอื่นนี่ผมก็ตามคนไม่ไหวแล้วนะฮะใช่ใช่ฉบับใหญ่ๆสารจับนี้ก็ใช้คําว่าค่าหมดอืมตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าทางนั้นสาวชวันนี่จะแปลผิดหรือเปล่าอราเลยต้องไปดูบาลีอ่าอ่าตอนนี้พอดูบาลีเนี่ยพระอาจารย์เราดูหน้าหน้าสามนะครับเพื่อผมใช้ขีตรงเอาเฉพาะวรรคารากราที่มีเรื่องของคําว่าค่านะครับมาดว่าในบาลีนี้คําว่าค่าใช้คําว่าอะไรอืม ก็ค่อนข้างคนยากนะครับผมต uh ้ huh. พยายามแปลคําที่แวดล้อมก่อน uh huh. ออืตรจะมาเหลือคําที่มีปัญหา uh huh. ก็คือคําว่าวทิตาอ uh huh. วธิตวานี่ผมหาดูในพจนานุกรมก็หาไม่เจอออื uh huh. นะครับก็ต้องงมงงใช้เวลากันอยูเ่เป็นเดือนเหมือนกันละครับออืแ uh huh. เราค่อยๆลอ ง, ลองค่ให้ตัดทําคําแปลเป็นท่อนๆดูเนี่ยออื uh huh. ก็เลยมาเจอคําว่าวัฒะแปลว่าการฆ่า uh huh. อิตตะแปลว่าประกอบ อือฮะงั้นว่าทิตตานี่ก็คือการประกอบการค่าอ่าฮะอ่าฮะงั้นก็น่าจะตรงครับถูกแล้วครับอ่าฮะภาษาบาลีก็ใช่ว่าค่าเด็กค่าลูกน้อยอืมภใช้คำว่าเป็นว่ายานูนมะยังอีมังเอกปุตตังเอกปุตตังปุน้อยคนเดียวปียังอันเป็นที่รักมันาทังเป็นที่พอใจมาทิตตวาก็ประกอบการค่าอ่าฮะวัลูรันจะก็คือทําเป็นได้แปลว่าเนื้อแห้งนะฮะไม่แปลว่าเนื้อเข็มนะอ่าครับอ่าฮะแสดงว่า แสดงว่าคนคนที่เขาพูดต้องอ้างมาเนี่ยไม่ไม่ได้อ้างจากพระเจ้าปิฎกสํานักไหนเลยสักสํานักหนึ่งข้จะเป็นฉบับอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยใช่แต่แต่โดยสํานักหลักๆเนี่ยคือมหามงคูดมหาจุลาฉบับสยามรัฐเนี่ยก็เป็นข้าหมดท่านทุกท่านเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่สี่สำนักนี้แน่อ่าก็แปลไม่ผิดอ่าใช่แต่ผมก็เลยใส่คําอื่นผมเลยสงสัยนิดหน่อยนะครับว่าผมก็แปลไม่ออกอย่าคําว่าวรูรันจ่เนี่ย ไม่ก็บ้านเนื้อแห้งแต่ในคำแปลว่าเนื้อเค็มก็พอกลัก่นกันได้ก<อ>ันได้อแต่ว่าส่วนทีกน่กัญจะเนี่ยในภาษาไทยใช้คําว่าเป็นเนื้อย่างแต่คําว่าส่วนทีเนี่ยแปลว่าคนขายชาุนลาคนบางคนรบกวนไม่เข้าเรื่องกันเลยเอแล้วก็ยังําบางคําผมก็แปลไม่ออกเช่นว่ามีคําว่าเทวปิดเทวปิดตังไอเวปิดตังะออื แต่เวปิดตังนี่เขาแปลว่ามีขนสองเส้นผมว่มันเกี่ยวอะไรกับพระสูนอะไรอะไรขนสองเส้นมีขนสองเส้นอ๋ออเลยแปลไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรอ่าก็เพียงจะมารายงานพระอาจารย์ว่าเขาเข้าใจผิดอืมได้ก็แสดงว่าถูกแล้วว่าฆ่าลูกตัวเองซะฆ่าลูกตัวเองฆ่าลูกตัวเองครับเป็นเนื้อไม่รู้เือเค็มกับอะไรนเรื่องร้านเล่านี่เนื้อแห้งอ่ะ ที่มันกินไม่ได้นานๆเนี่จะทำให้เค็มไม่เค็มก็แล้วแต่ไ ด, ได้ได้ได้ความชัดเจนนะเนี่ยสืบพ้นเองได้นะกะทีลคำทีลคําอย่างเงี้ยแต่คำว่าสังขารวเสสสมัติอตอนทำไงก็ยังหาไม่เจอคำว่าสังขา ร, รออกสมบรรัติหัวท้ายออกอาการอาจะเป็นอวสัะหรืออวสัยศร ก็จะหาไม่เจออ่าฮะอะไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยค่อยค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อค่อยๆอยๆค่อยๆค่อยๆค่ออยๆค่ยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆคตอยๆ่อย่อยค่อยๆคยๆค่อค่ออค่อยๆ่ค่อยย่ค่อ่ เพรว่าเพราะว่าอมีพระสูตรหนึ่งพระสารีบุตรถามพระพุทธเจ้าน่ะคะว่าว่าพระพุทธเจ้ากับที่แล้วเนี่ยสามพระองค์พระศาสนาอยู่ไม่ยั่งยู่อพระพุทธเจ้าตอืบอกวพระพระพระพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยท้อพระไทยที่จะไม่สอืนพระศาสนาก็เลยสั้น อมีพัทลักษกเนี่ยที่มีกับปุสันทะกับอุสันโธโธนะธรรมะอะไรอ่าใช่ี้ยรัตโธดมใช่นี่ท่านไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงพระเสียอะไรมตรกล่าวข้างหน้านู้นละนะไปกล่าวข้างหลังไปไปกล่าวที่หลังว้ใชว่าว่าว่าจัสดาหน้าจะเป็นพระเสียระไมิตรไม่ไม่บอกว่าศาสดาหน้าแต่บอกว่าหลังจากพระองค์แล้วเนี่ยนะ มนุษย์จะอายุลดลงเหลือสิปีจากสิบปีมนุษย์จะฆ่ากันตายตลอดเกือบทั้งโลกเหลือคนอีกเล็กน้อยฟื้นฟูสินธรรมขึ้นมาใหม่มนุษย์ก็อายุยืนขึ้นถึงแปดหมื่นปีครั้งหนึ่งผู้เจ้านามว่าไม่แต่ย่าจะมาตัดสรุไม่มีบอกขั้นระหว่างเลยก็น่าจะเป็นผู้เจ้าองค์ต่อไฟอ่าอย่างนี้แล้วท่านท่านนั่นบอกไว้ะว่าขนาดีท่านอยู่อยู่จิตหรือเปล่าไม่ได้บอกถ้าไกลขนาดนี้เนี่ย ไม่น่าจะใช่ชั้นดุษฎีหลวงโยมเพราะว่าดุษฎีเนี่ยก็คือจะก่อนที่จะเป็นโพธิสัตว์ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นโพธิสัตว์เพื่อจะตรัสรู้ในชาตินั้นเน่ะเนี่ยจะอยู่สวรรค์ชั้นดุษฎีเหมือนอเหมือนเหมือนพระธรรมนักโคดมอ่าฮะใช่ใช่ซึ่งกว่ามนุษย์จะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยโอ้โหยาวมากนะครับเจนเอ่อทำไม พระนามของพระพุทธเจ้าเนี mm ่ยค่ะท่านท่า น, ท, านท่านเกี่ยวข้องกับ <c oughs> ราชสีเยอะมากนะอย่างอย่างอยงพระนามพระชินสีใชคะ่ะอ mm ืมอืมชินสีชินสีใช่หรือเปล่าจะมีแปลว่าผู้ชนะสีมาจากราชสีหรือเปล่าเออที่เคยได้ยินมีแต่สีหักว่าตถาคตเนี่ย <c oughs> สีหะก <c oughs> เป็นชื่อแทนตถาคต ไมราชสีใช่ราชสีนะแต่ชินสีนียังไม่เคยได้ชินอ่าอ่าเป็นพระนามเลยนะคะภาษกีที่ที่ที่พระอาจารย์พูดถึงอิติปัตเนมฤกษ์ไทยเนี่ยเรียว่ากลัวว่าอันเนี้ยมันเป็นการจวิพากษ์มาอ่าอามันอาจจะเป็นอิสิปัตนะมกทยได้ไม่ในในบาลีเขาจะเขียนอย่างนั้นเลยไงบาอิสิปัตเนมิคทายเย อันนี้เมื่อ <c oughs> เมื่อบาลีอ่านอย่างไรเนี่ยก็คือภาษาเนี่ยจะเป็นภาษาประเทศใดก็ได้ถ้าอ่านอย่างนี้คือทุกคนต้องเขียนให้อ่านตรงตามอย่างนี้ไม่แต่สับนี้เป็นเพราะแจกวิพัฒน์อะค่ะไปปาอิติปัตนะมรรคไทยใช่ใ ช, ใชก็คือมามาปรับปรุงเองอะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยจำสับคลาดเคลื่อนจากคำพระธรรคตอย่างเนี้ย เขรามาเรามาปรับปรุงเรามาแอพพลาเอาออย่างนี้นอันนี้อันนี้จะไปค้นดูนะคะได้ได้ความยังไงแล้วใช่ใชไปดูในอย่างน้อยสองข้อสูตรละผู้เจ้าจะใช้เหมือนกันเลยอิสิปัตเนมิคธาเยนะอ่าก็คือพอคำผู้เจ้าเนี่ยเราต้องรักษาตรงๆเอาไว้ในลักษณะของคำชื่อเฉพาะ ก่อนที่พระอาจารย์ยังไม่ได้ลงมาเนี่ย uh huh. ก็มีโยมบอกว่าให้หยิบหนังสือได้จากตรงตรงบอกว่า uh huh. แจกฟรี่ไม่ได้ตั้งไว้ตรงนี้นีผมก็ไปหยิบ ม, มาชุดสอ uh huh. งชุดอ uh huh. ันนี้พอเข้าไปถวายของที่อาจารย์แล้วนี่ uh huh. ก็ได้มาอีกชุด คำถามว่าอย่างนี้จะถือว่าเป็นวิสาสะในการหยิบมาไดป่าครับเา่ไม่ได้มาตรงนี้ฮะเพราะว่าเขียนเขียนไปแล้วว่าว่าแจกนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไม่ไม่มีเขาองสายกันใช่ใช่เพราะว่าเอ่อจะให้หยิบเองก็ได้แต่บางคนก็บอกแหมอยากได้รับจากมืออาจมาก็มันมีหลายแบบอะไรไม่รู้ยมจะเอายังไงก็คิดไม่ออกนะครับก็เลยมีทั้งให้ทั้งหยิบเองทั้งใครที่จะรับจากมือก็ได้ ครับอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อกี้นี้ในระหว่างที่พระอาจารย์ยังไม่ได้ลงมาเนี่ยก็ได้ฟังธรรมแล้วก็บอกว่ามีโยมถวายขอโทษครับมีโยมถวายที่ดินในต่างประเทศให้ถวายบ้านนะที่ดินให้เพื่อสร้างวัดผมในฐานะที่ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้พอสมควรอยู่ก็เห็นว่าอยากจะ ก า, การวา่าบางครั้งโยมที่ให้มาเป็นฝรัง่งก็มักจะถือตัวว่าเป็นเจ้าของบ้านเพราะว่าเป็นวัดไปนานๆาพระก็ยังไม่สามารถที่จะขยายขยับไปได้ อ, อแต่ขณะเดียวกันเขาก็คิดว่าเป็นบ้านของเขาเป็ น, ปนวัดของเขาเขาก็จะเก็บปัจจัยต่างๆเป็นของตนเอง อ, อันนี้เป็นปัญหามากก็อยากจะกลาบเปียนพระอาจารย์ว่าถ้ามี ผู้ใดถวายก็คงต้องเป็นข้อคิดให้หนักขเพราะมีหลายๆประเทศอย่างเช่นเยอรมันผมก็เห็นมานะการในยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นอ่าก็อันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนพิจารณาเพราะว่ามันก็อยู่เกินกรอบของเราเนาะในในกรอบของเราเราก็เราก็พิจารณาได้แค่นี้ แต่ถ้าเขาใช้สถานที่ของเขาเป็นที่ในการเปยแป่ธรรมะ ก, ก็คงได้ประโยชน์ระดับหนึ่งนะอ่าอย่างี้เราก็เป็นแผนกให้ข้อมูลให้นังสือซีดีไปใครต้องการเราก็จะเป็นจุดอ่าแจกจ่ายกระจายต่อไปในยุโรปในอเมริกาอะไรเงี้ยเราก็ส่งให้ยนค่ะอ่าเชิญไฟไฟขึ้นไหม ไปยำนน์หรือไปอาอต้องตรงตรงอย่างนี้ค่ะอยากสอบถามท่านพระอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องอภัยทานนะคะออือเ อ, อเคยได้ยินมาว่าการให้อภัยนี่เป็นทานมหาทานใช่ไหมคะอออืือก็อยากทราบทราบว่าถ้าเราให้อภัยทานไปแล้วเนี่ยเ อ, อคนที่เราให้อภัยเขาแล้วเนี่ยเขาจะต้องรับกรรมไหยคะหรืว่าให้อภัยแล้วก็คือจบกัน ค, คือจบในส่วนเราไงแต่ส่วนเขาเนี่ยท้าก็ยังผูกอาฆาตเราอยู่เขาต้องรับของเขานะแต่ในส่วนเราเนี่ยเราก็บรรลจบในส่วนของเราที่เขาจะไม่ต้องได้รับความเดือดร้อนจากเราเอย่างนี้ซึ่งทุกคนต้องต่างรักษาจิตของตัวเองนะซึ่งพระเจ้ามองเป็นมหาทานชั้นเลิศและอภัยทานที่เป็นมหาทานชั้นเลิศก็คือการรักษาสิ่งห้านะ เขามีการอย่างพวกเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นที่เขาฆ่ากันอะไรกันอย่างเนี้นค่ะแล้วก็พ่อแม่ที่เขาสูญเสียบุตรเขให้อภัยคนที่มาทําให้บุตรเขาตายอย่างนี้ค่ะเข า, าให้อภัยแต่ว่าคนที่ได้กระทํากับบุตรของเขาเนี่ย<ช>เขาก็ยังจะต้องรับกรรมของเขาต่อไปใช่ใช่ใช่ใช่ใใชของแม่ที่ต้าให้อภัยไปแล้วก็จบของเขาไปใช่ เพาอย่างสมมติไปทำลูกเขาตายเนี่ยนะการทําปาณาติบาตผู <Silver. S 1> <me> ้นั้นเนี่ยนะวิบากอย่างเบาก็คืออายุสั้นอันก็ต้องรับวิบากของเขาไปนะถ้าทําเป็นปกติก็เป็นไปเพื่อนนรกกับเดชฌานเพลยิสัยอย่างงี้ยก็รวมถึงการที่ว่าทุกใจเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอย่างนี้ก็รวมไปู่ในนี้ด้วยใช่ใช่ การมรดการท่านอาจารย์กผมขอโาอกาศเรียนการปฏิบัติธรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วได้มีโอกาสป่วยกับทั้งเดือนก็ได้ใคร่ควรทําไปหลายแง่หลายมุมปฏิบัติธรรมไปด้วยแต่มีแง่มุมในการไข้ควรทำอยู่ส่วนหนึ่งในส่วนของอริยสัจ <c oughs> ก็ตั้งอุตตเอก ม, มว่าเราจะรู้อริยสัจสีตามที่เป็นจริงได้ยังไง ฟังดูก็ไม่ยากแต่เราจะรู้ได้ไงตามความเป็นจริงเท่าที่ทราบทราบหรือเท่าที่เราปฏิบัติมาเรารู้มานั้นเรารู้เพราะเราจําได้ไม่ว่าในส่วนของอริยสัจสีก็ตามในส่วนของปฏิจจักรก็ตามท่านมีสูตรของพระองค์อยู่หลายประสูตร์ที่ผมจําได้ก็มากกว่าสิบประสูตรนย์ขณะที่ป่วยอยู่ก็ลองนํามาให้ครวญดูว่าเรารู้ตามความเป็นจริงหรือเปล่าทุกวันนี้ก็ตอบตัวเองว่าขณะนั้นเพราะไม่รู้รู้เพราะจาได้เพอรู้ว่าทุก์เป็นยังไงเหตุเกิดทุกเป็นไง ความดับไม่เหลอของทุกในคนทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกในแถบอริยสัจเป็นอย่างนี้เรารู้พอย้ายมาแถบของปฏิจจะเราก็รู้ว่าทุกเป็นอย่างไรเราก็รู้หมดแต่เรารู้เพราะเราจําได้ก็ผมก็เห็นว่าคําถามที่ถามว่าจะรู้อินทรสีตามที่เป็นจริงได้ไงเราก็รู้โดยตั้งพสูตรขึ้นมาถามตัวเองก็ค่ตัวนพระสูตรต่างๆที่จําได้ประมาณสิบกว่าพระสูตรนี้เช่นความเป็นไปได้ยาก เกี่ยวกับพระ อ, องค์ท่านความที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็เพราะตัดสุรุอรียสสีการที่พระ อ, องค์ได้เป็นอรหันตะสมาสัมุทะก็เพราะตัดสรุรุยสสีการที่พระ อ, องค์ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานก็เพราะว่าพระ อ, องค์ไม่รู้อียสสีอย่างนี้เป็นต้นก็นํามาให้ครูรในสายปฏิจจาด้วยสายเกิดสายหักก็ใช้เวลาให้ครูอยู่หลายวันหลายครั้งหลายคราวนะครับ ก็เห็นว่าคําถามมันก็ามาจากพระสูตรทั้งสิ้นก็คงอยู่ในห้าเล่มเฉพาะอดนี่แหละก็ <c oughs> นึกไปว่าพระอาจารย์ได้ฝีความเมตตาไว้อย่างสูงแล้วคือสิบเล่มเนี้ยต้องอยู่ในสิบเล่มนี้พระสูตรในสิบเล่มนี้ก็ทรงจําได้เยอะพอสมควรนะก็ลองนํามาไขคร้รนดูก็เลยเข้าใจว่าได้คําตอบอยู่ก็ามากราบพระอาจารย์ว่าจะยกพระสูตรขึ้นถ้ามาถูกนี่ไม่ถูกต้องกับพระอาจารย์เมตตาบอกเลยว่า เป็นประสูตรไหนที่ควรจะใช้คําตอบว่าเราจะรู้ดัศนีได้อยา่างไรตามเป็นปจริงนะครรู้ได้อย่างไรพระสูตรนั้นผู <c oughs> พ้พุทธองกลับด้วยว่าพิสูจนทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดพิสูุนทั้งหลายพิสูจผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงอย่างไรเล่า รู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้พิสูุนทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดพิสูจนทั้งหลายพิสูผู้เจริญพิสุจผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริง พิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อให้รู้ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดคาตอบนี้ก็คือว่าถ้าจะรู้วิรัติสติตามที่เป็นจริงได้ก็ต้องทําเจริญสมาธิไม่ทราบถูกหรือเปล่าคุณท่าใช่ อันนี้อย่างอื่นก็ด้วยเช่นสติปัฏฐานสี่ก็ได้น ะ, ะถ้าเราฝึกสติลึกเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นตามความเป็นจริงได้เช่นกันนะการระลึกได้สมาธิเนี่ยมันก็ได้มาจากสติที่คอยระลึกได้แล้วจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้นได้นานๆนะก็จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาซึ่งสมาธิเนี่ยไม่ทาได้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกทำทั้งหลายย่อมปรากฏ ปรากฏอะไรปรากฏเห็นสัจจะความจริงคือการเกิดการดับนะนันตรงนี้ก็เป็นเป็นคําตอบได้นะในมรรคแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยก็ล้วนเป็นเหตุให้ <c oughs> <c oughs> เข้าถึงวิมุตติได้ทั้งสิ้นนะในเรื่องของสติปัฏฐานสี่นะถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วไม่มีไหยพริบปฏิพานไม่เห็นการเกิดการดับอืมก็หลุดพ้นไม่ได้อีกนะนั่นประเด็นก็คือต้องเห็นอริสัตย์นะ สมาธิก็เป็นเหตุให้เห็นเห็นอริสัตได้สติปัฏฐาน4ี่ก็เป็นเหตุให้เห็นอริสัตยได้อย่างนี้อ่าหรือว่าสัมมาวาจาเราคอยทิ้งอรุจลเรื่อยๆทิ้งไปทิ้งไปนานๆที่สุดยังไม่เห็นว่าะเออไอที่ทิ้งก็คือมันหายไปนะเมื่อหายไปแล้วมีอีกสิ่งนึงเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเกิดดับทันทีเนี่ยดังนั้นมุมในการเห็นเกิดดับเนี่ยมันอาจจะเห็นมาจากอ่าอะไรบ้างเช่นทำสมาธิ จเจริญสีฐานสี่นะหรือว่าจเจริญสัมมาวายามะนะหรือการสัมโดมอินทรีนะเมื่อเราสัมโดมอินทรีย์เรื่อยๆดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมากลับมากลับมาเรื่อยๆปุ๊บอ๋าเดี๋ยวเห็นละขณะที่ดึงกลับมาสิ่งหนึ่งจะหายไปสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นหลุดไปแล้วสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยความจริงมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่อยู่ที่ว่าใครจะเห็นโดยอาศัยมุมไหนมักไหนปฏิปทาไหน อย่างเนี้ยนี่ก็เป็นคําตอบได้อันหนึ่งอยู่ใช่ขอพักผึ้ครับขอโอาสค่ะพระอาจารย์อ่าเ uh huh. ชิญคือปัจจุบันเนี้ยสัมผัสกับพระสงฆ์ที่ใกล้ชิดนะคะที่ว่าอยู่ทํางานอยู่คือตัวเองอยู่สถานศึกษา uh huh. ที่นี่สถานศึกษาอยู่ในวัด uh huh. ที่นี่วัดนั้นนะเอ่ยท่านเจ้าว่านะคะอ uh huh. ท่านทำที่ท่านพระอาจารย์ได้ได้ดูนะคะก็คือเดรัจฉานวิชานะคะ uh huh. คือเจิมลดบ้าง อทาหน้าท้องอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราไปตําหนิท่านเนี่ยจะถามว่าท่านเราบาปเราผิดไหมคะอืมเราเราให้ธรรมะพระศาสดานะอ่าคนผิดคือคนที่ไม่ทําตามพระศาสดาอยู่แล้วเราเวลาเรารักษาเรารักษาคําสอนพระศาสดาเราไม่ได้รักษาพระกอพระขอพระคอนะถ้าพระในกอพระในขอพระในคอทําผิดจากพระพุทธเจ้าก็คือเขาผิดนะ ใครพูดถูกก็คือถูกค่ะพอดีมีเพื่อนบอกว่าว่าท่านไม่ได้นะท่านศีลมากกว่าเราเราก็เลยไม่ในใจที่ท่านศีลมากกว่าเราตรงนังตัวนี้ยคือตัวศีลเลยละ่ะ<า>ถ้าศีลตรงนี้ไม่ครบเนี่ยมันก็ขาดทะลุ ด, ด่างร้อยไง<า>ความเป็นสมณะก็จะเหลือลดลงไปลดลงไปลดลงไ ป, ลลงไปเรื่อยๆนะีนี้อีกกรณีหนึ่งกรณีที่ว่าคนทําผิดมาตลอดชีวิตนะคะเลยจิตป่ า, ปาทำเลยตลอดชีวิตแล้วทีนี้ตอนจะตายเนี่ยเกิดเอที่ว่า คือเราลึกถึงลมหายใจเนี่ยค่ะแล้วถามว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยจะไปอบัยไหมคะคือสามารถหลุดพ้นได้เลยนะเพราะอย่าว่าแต่ความผิดทั้งชีวิตเลยในสังสารนี่ยเราทําผิดมามหาศาลนะอทําผิดขนาดที่ว่าเธอเคยถูกนําไปฆ่าตัดคอเพราะทำความผิดเนี่ยนะเลือดที่แล้วออกจะคอเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุททั้งสี่โอ้มันมากมายมหาศาลออืมยิ่งเามองชาติเดียวนี้ไม่ได้เลย แต่มมีองค์แปดแก้ได้หมดทุกเรื่องนะแค่ถอนอุปทานจากกันให้ได้อพระอาจารย์คะกลับเรียนค่ะตะกี้เสริมคําถามของคุณลุงเพราะว่ายัางติดใจอยู่นิดนึงที่คุณลุงถามคําถามแล้ว <c oughs> ท่านพระอาจารย์เนี่ย <c oughs> ชี้แนะในส่วนที่ถ้าเราปฏิบัตออิอย่างที่ท่านพระอาจารย์ชี้แนะนะคะเอ่อจะเกิดการเกิดดับ เกิดขึ้นใช่ไหมคะ uh huh. ตรงเกิดดับเนี่ยความหมายขอขอยกรายละเอียดนะคะอย่างเช่นถ้าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการปวดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ถ้าเรามีสมาธิหรือมีสติเนี่ยความป่วยตรงนั้นมันความเจ็บป่วยมันจะหายไปใช่ไหมคะก็เป็นได้อยู่ที่สมาธิขนาดไหนแค่ไหนสามารถที่จะทำให้ใหาจากประสบการณ์เนี่ยเคยนั่งแล้วมีอาการคัน คันที่หน้ามากแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาการคันจะหายแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีอีกเลยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วเปล่าคะนะคะแล้วก็อันนี้คนที่ป่วยเนี่ยถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยสมมุติพอดีอาจจะมีเพื่อนนะคะจะได้แนะนําก็ได้ว่าถ้าเกิดถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นแบบนี้เขาสามารถจะทําวิธีนี้เนี่ยนั่งสมาธิและหลาอย่างเพื่อทําให้ความรู้สึกตรงนี้เบาบางลงไปได้นี่ค่ะได้ค่ะ คือแค่ว่าโยมมีจิตจดจอ่จอจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจิตก็จะไม่ไปจับกับไอ้ตัวเจ็บนั้นแหละแค่ตัวนี้มันก็จะหายไปแหละน ะ, ะอ่าก็คือดึงกลับมาดึงกลั บ, ม, ลบม า, มาใช่ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะเรารู้เจ็บเราเรู้อะไรตรงนั้นนะั่นคือวิญญาณไปเกาะตรงนั้นแหละทำไงเราจะดึงวิ ญ, ญญาณออกมาก็อยู่กับเสาเขืนเสาหลักลงมาใจเข้าออกของเรานี่นแหละอยู่ให้มากแต่ด้วยอุปทานความยึดมั่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปไปปุ๊บเราก็เอากลับมา ไปปุ๊บเราก็เอากลับมาเพียนอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ารู้ความเป็นจริงเลยใช่ไหมคะก็ก็อยู่ที่คนนั้นเนี่ยมีปัญญาเห็นหรือเปล่าค่ะดึงกลับมาแต่ไม่มีปัญญาเห็นการเกิดการดับก็มีนะค่ะก็ดึงมาเฉยๆนี่แหละดึงมาเฉยๆนะแต่ไม่เห็นก็มีเดี๋ยวก็หลุดออกไปอีกอ่าใช่แต่การดึงมาอย่างนี้เรื่อยๆหนวันหนึ่งเดี๋ยวก็เห็นนะก็เลยสร้างเหตุอย่างเงี้แหละไป ละนันทีไปเรื่อยๆละนันทีละนันทีนนทอย่างเนี้อขอคุณค่ะละความเพลินแล้วต้องกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักนะไม่ใช่ละความเพลินแล้วไปเพลินเรื่องอื่นต่อละที่ไปเพลินเรื่องใหม่ต่ออย่างเนี้อ่าขอขัดกันบนานจะได้เข้ามาอ่ามีพุทธวจนะตรงไหนไหมคะเหมือนไม่ไม่ค่อยดังนะ้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอัน เปลี่ยนเปลี่ยน้น อ, งองเปลี่ยนอันดูมันเงียบๆชอบบ่นค่ะเออเออมีพระสูตรไหนไหมคะที่จะแนะนาให้ให้แดนไปท่องบ่นแล้วทาให้เป็นคนใจเย็นขึ้นปกติ็คนใจร้อนอ๋อ <c oughs> ปฏิจจมังเยอมนะตอนทพระเจ้าจะท่องบน่นพระเจ้าก็สาตยายตรงนี้นี่ถ้าจะทราบเหตุปัจจัยว่า เวลาเราเราโมโหเราใจร้อนปุ๊บเนี่ยภาษาอะไรอะไรมันเกิด oh, ก okay. ่อนอ๋อภาษาตรงนี้ภาษาทางหูภาษาทางตาอ๋อเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคำพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วที่ไหว้เห็นเกิดดับนะมันเห็นเป็นสภาวะเลยเหรอก็ร่งสมาธิถึงขั้นก็อะไรที่มันหายไปในจิตโยมอะจิตคือผู้รู้ความรู้สึกโยมเนี่ย เคยคิดอดีตแล้วมันหายไปแล้วกลับมารู้ล่งนั่นนัน่อะมันดับไปแล้ะไอ้ที่คิดอดีตเมื่อกี้ดับไปแล้ะมารู้ล่งหายใจเพียงเพียงเราเราเรารู้ว่าเราเราเปลี่ยนวิญญาณกลับมาอยู่สองแบบแค่นีก็ก็ใช่ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วใช่ถูกต้องเพราะในสาวกพาสิตในแต่ก่อนเนี่ยเราฟังครูอาจารย์มาเยอะเนี่ยจะบอกโอ้ต้องสมาธิชั้นสี่นะบางคนว่าต้องสูงกว่านั้นเยอะแยะเลย ดูการเห็นการเดียด่ยดมันยากเย็ยนเหลือเกินนะเหมือนกับชาตินี้คงจะทําไม่ได้แต่มาดูที่พระชาติจัดมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่อะไรหายไปเนี่ยเราก็รู้ว่าทําไมจะไม่รู้ว่าสุขหายไปทุกหายไปหรือว่าความคิดมันเกิดขึ้นแล้วความคิดมันหายไปแล้วนั่นน่าสังเกต ด, ดีๆนะอ่าแล้ ว, วให้เห็นจริงๆแล้วเวลาสุขหรือทุกเกิดขึ้นเวลามันดับไปเนี่ยให้รู้รู้ให้ทันไม่ใช่ดับไปต้องนานอ่ะไอ้โมดับไปแล้วเนี่ย มันไปอารมณ์ไหนเราก็ไม่รู้แต่ก็ยังดีนะย้อนกลับมาดูทีหลังก็ยังดีแล้วค่อยๆให้มันทันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวทั้งทันเวลามันดับไปปุ๊บเนี่ยอ๋อดับไปจริงๆอย่างนี้อแล้วเเวลาที่นั่งสมาธินเนี่ยบางที่แนะบอกว่าถ้าเกิดปว ด, ะะปดาอากาปวดขาเนี่ยอออืือให้เพ่งความปวดนั่นแหละจนกระทั่งมันหาอไปออจาเป็นไหมคะที่จะต้องทําอย่างนั้นอืม พรอาจารย์แนะให้เปลี่ยนอิริยบถพระเจ้าก็แนะอย่างนั้นน ะ, ะแตมาก็ยังไม่เคยเจอพระสูตรไหนที่แนะให้ให้ไปไปเพ่งอย่างนั้นนะจะมีพระสูตรเดียวที่บอกว่านั่งคู่พลังจนสิ้นนาสวะติดสิ้นนาสวะซึ่งอันนั้นนะ่ยมันต้องรู้ระดับของตัวเองว่าผ่านโสดาไปแล้วอนาคาไปแล้วนะเลยนิดเดียวเนะี่ยเอาสิ้นนาสวะเลยอย่างนี้แต่ถ้าโดยพระสูตรทั่วๆไปแล้วเนี่ยเก้าสิเเจ้าจะให้เดินสลับนั่ง ซึ่งกลับไปมานะแล้วถ้าเดินเมื่อยเราก็มานั่งนั่งเมื่อยก็มาเดินแต่ความเพียรทั้งจิตให้ต่อเนื่องอะถ้า่ยมเสียเวลาสั ก, นน ก, นออกสนหนึ่งนาทีเปลี่ยนรีบทแล้วได้การปลบความเพียรต่ออีกสองชั่วโมงเสียหนึ่งนาทีเปลี่ยนรีบทได้ความเพียรต่ออีกสองชั่วโมงจะทนไปเรื่อยๆฟึ่งชั่วโมงล้วไม่ไหวเลิกดีกว่าจบเลยความเพียรล้มไปเลยเห็นไหเอ่ แปลว่าเปลี่ยนรีบทันท่าประโยชน์กว่านะแล้วถ้าเราฟุ้งซ่านนะคะ <c oughs> ฟุ้งซ่านในปฏิบัติเราฟุ้งซ่านเด้กก็พยายามดึงดึงจิตมาอยู่ที่ลมหายใจอืมอื ม, อมก็ดีแล้วสติแก้ได้ทุกเรื่องถ้าฟุ้งซ่านผู้เจ้าให้ไปทําสมาธินะ่ะถ้าจิตโถ ท, ทูให้ไปใช้ธรรมวิจยะแต่ผู้เจ้าบอกสติเนี่ยแก้ได้ทั้งสองด้านนะทั้งฟุ้งซ่านแล้วก็โถทูอืม นั้นเราก็คอยละความเพลินรุลมละความเพลินรุลมรเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วตัวเองมักจะชอบฝันมีที่ไปปฏิบัติที่โยคพูดสองครั้งอะคะ่ะเจ็ดเจ็ดคืนแปดวนะันนั่นแห้ะไม่ฝันเลยอ่าดันั้นก็ปลาโรคัญหาก่อนนอนก็บอกขอให้จิตไม่ไหลเ ก, กิดกับุศลว่าขอน้อมจิตเพื่อที่จะมานอ น, นะะอ่ะแต่ก็ฝันทุกคืนนอนกลางวันยังฝันเลยค่ะแต่ยังไม่จิตเที่ยวเหรอะ ใช่ใช่คือจะแก้ฝันเนี่ยมันมันยากเหมือนกันแค่จะให้น้อยลงเนี่ยคือยมต้องทําสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้ายมได้สมาธิมากๆเนี่ยนั่งทีายสงบเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าฝันมันน้อยลงไปถ้าไม่เคยฝันนะฝันน้อยนานๆฝันทีอ่าอย่างเงี้ยข อ, อกาค่ะพระอาจารย์คือตอนนี้อยู่สถานศึกษานะคะ มีซีดีพระพุทธเจ้าจากน่าจะเป็นสํานักพูดเรื่องไงนะคะไปแจกเป็นเป็นการ์ตูนอให้ให้สอนเด็กทีนี้ยอมดูแล้วจะมีท่อนหนึ่งตอนพระเจ้าจะจุติลงมาบอกว่าพระเจ้าจุติจากสุทธาวาสเป็นเป็นค่ะอันนี้ก็คือถือว่าอันนี้ข้อมูลมันผิดค่ะมันจะมีผิดอีกเยอะคือเพราะสํานักพุทก็ยังไม่ได้ใช้พุทธวิชชเต็มที่ไง ปัญหาคือตรงนี้แล้วทีนี้ซีดีเนี่ยแตกทั่วประเทศแล้วค่ะทุกโรงเรียนได้หมดค่ะมันต้องถามว่าใครทำแล้วทำจากฐานข้อมูลอะไรเราไม่ได้คิดเรื่องข้อมูลที่ถูกต้องไลยใครทำก็คิดว่าถูกหมดถูกหมดมันไม่ได้ตรวจเช็คกันนะก็เลยว่าถ้าพระอาจารย์ถ้ามีหน่วยงานใดที่เข้ามาสนับสนุนให้พระอาจารย์ท ทำ c ีดีเกี่ย <CD S 2> วกับการ์ตูนสอนเด็กอย่างนี้อยากให้พระอาจารย์ดำเนินการตรงนี้ค่ะถ้ามีโอกาสได้ถูกต้องคะอ่ะถ้ามีโอกาสกาจ็จะพยายามนะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> เห็นเห็นหลายการ์ตูนเหมือนกันผิดก้อนข้างเยอะเสน้นข้างหลัง <c oughs> พระอาจารย์จคะขอความอธิบายเรื่องนิพพิทายานเจ้ค่ะขอขอนิพนิพพิทายานนิพพิทายานต้อง เห็นเกิดดับเรื่อยๆเนี่ยแหละนิพิทายาณถึงจะเกิดทำซ้ำให้วิญญาณเป็ น, ป น, ปนผู้เบื่อเบื่อให้แบบไปเกาะไปรู้คือสัตตานังต้องเบื่อวิญญาณาต้องเบื่อเบื่อวิญญาณว่าวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวมันเพราะเห็นวิญญาณเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆมันไม่มีวิธีอื่นละนอกจากการเข้าไปเห็นเกิดดับเราจะดิ้นรนไปวิธีใดก็ตามมันจะไม่ ไม่มีทางสร้างความเบื่อในวิญญาณเพราะเรายังใช้การคิดการนึกอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วถูกมันหลอกตลอดเลยอะวิญญาณถูกใช้ตลอดเลยเราต้องต้องถึงสัญญาเวทีได้เปล่าคะไม่จําเป็นพระอาจารย์บอกปฐมฌานก็หลุดพ้นได้แล้วนะสิกนัสวะได้ได้วยปฐมฌานไกลคะ่ะแต่ยังไม่แน่เลยคะ่ะไม่ทันเลยค่ะ ท, ทันเกิดไม่ทันได้ไม่เป็นไร ไม่เป็เอาเท่าที่ทันอ่ะเราแค่นี้เราทันตรงไหนก็เอาตรงนั้นทําซ้ำเรื่อยๆพอมาตอนเป็นนักเรียนเคยคิดโอ้โหใครจะไปตามความคิดทันไม่มีทางไปไปมันก็ทันเองนะหลักการเดียวกันอ่ะพอเราปฏิบัติตามมาอ้ใครจะไปทันวิญญาณวิญญาณเกิดดับเร็วมากมาย้อนนึกโอ้หลักเดียวกันแต่ก่อนเราก็เคยคิดว่าเราไม่ทันความคิดแน่เลยเรายังทันวิญญาณเอาละตอนนี้ไม่ทันเดี๋ยวมันก็ทันอ่าอย่างเงี้ยมันรัศ ต่อไปได้อย่างนี้ด้วยการดูวิ ญ, ญญาณเกิดดับซ้ําๆซ้ําๆซ้ำๆพอดูวิ ญ, ญญาณเกิดดับต้องทําไรก็กลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมนะกลับมาที่พื้นฐานเดิมเลยเหมือนฝึก ท, ทําทีแรกแต่เปลี่ยนตัวดูแลแทนที่จะดูลมก็คือดูดูจิตที่เข้าไปรู้ลมก็เห็นมันดับจากลมไปกลับมาเกิดใหม่ดับจากลมไปกลับมาเกิดใหม่นั่งดูอยู่แค่เนี้ยไม่ต้องทําอะไรเลยเหมือนงานทํามันน้อยลงแต่ ความถี่ความเร็วมันสูงมากขึ้นครับอมีคำถามจากทางบ้านมาคือแล้พี่ก็ถามว่าอะไ ร, ร, รสัตสี่นี่เป็นสังฆตาหรือสังคตะครับเที่ยงหรือไม่เที่ยงคร<อ><อ>ับก<อ>็พิกษุณีเขาตอบวิสาขาแล้วนี่ว่าเป็นสัสงฆตนะอ่า พระเจ้าก็รับรองก็คื อ, มอมไม่เทียงไมเทียงใช่แต่มีพระสูตรอันหนึ่งครับในในอริยสัจภาคต้นนะครับเขบอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายมีของสี่อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นของสอย่างอย่างนั้นอย่างเราไหนเล่าของสอย่างนั้นคือความรู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์ออันนี้ไล่ไปเรื่อยครับก็คืออริยสัจสี่อันนี้ก็คือเป็นของเที่ยงใช่ใช่แสดงว่าคนละใน ก, กันคนละในยะคือ คือความไม่เที่ยง เ, ยเป็นของเที่ยงเนี่ยแต่ความรู้ตรงเนี้ถ้าไปดูในปฏิจจสุบาทิพรุทธเจ้าบอกความรู้ในปฏิจจสุบัทคือเห็นการเกิดการดับก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาก็จบเหมือนกันอันนี้ถ้ามีการพูดว่าสิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยก็คือต้องมีตัวไม่เกิดไม่ดับมาเปรียบเทียบนะความตายจะเป็นของไม่เที่ยงพระุทธเจ้า บ, บอกชรามรณะก็เป็นสิ่งมีเที่ยง ตายก็ไม่เที่ยงตายก็ตายได้เอ้าตายซ้อนตายนะเนี่ยเนี่ยก็คือต้องมีมุมาเปรียบเทียบล้วความตายดับไปได้หมดไปได้อย่างนี้ยออครับขอโอกาสครับอาจารย์นะฮะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงวิสาทินาภิสุณีพูดกับวิสาขอุบาศกเออ่จริงๆไม่ได้ชื่อไม่ใช่เป็นนางวิสาขานะครับวิสาวิสาข์คนนี้เป็นอุบาศกเป็นผู้ชาย ที่เข้าไปถามทินนาพิสุณีแต่ว่าผมก็ไปเช็คประวัติมาคืออันนี้ไม่ไม่มีในในพระไตยปิฎกก็เป็นเช็คประวัติมาว่าวิสาขาอุบาสกเนี่ยเป็นใครนะครับประวัติก็คือเป็นสามีของทินนาพิสุนีครับแล้วก็คือตอนตอนที่คลองเรินอยู่ด้วยกันวิสาขาอุบาสกเนี่ยเป็นเป็นเศรษฐีแล้วก็ทินนาพิสุณเนี่ยเป็นภรรยา ส่วนตอนนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าวิสาขาบารสกเนี่ยบรรลุเป็นพระอาคามีแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าอาคือไม่อยากอยู่ด้วยกับพินทินาทินาที่เป็นภริยาตนแล้วแล้วก็คือเหมือนกับว่าไล่ไล่ภรรยาเนี่ยให้กลับบ้านไปแล้วก็อต้องการทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ก็ก็เอาเอาไปได้ปรากฏว่าทินนาก็เกลียใจมากก็เลยก็เลยไปบวชตอนสุดสุดท้ายก็คือสําเร็จเป็นพระราห์ อสำเร็จเป็นหารแล้วก็คือพระสูตรเนี้ยก็คืออุบาสกที่เคยเป็นสามีก็คือมาถามทิมาถามพันธุ์เลยเหมือนกับลองภูมิว่าเอ๊ะันธ์าได้เป็นอาญาบุคคลขั้นไหนอ่อ่าฮะอ่านี้เป็นประวัติที่ที่เล่ากันมาอ่า คือถ้านั่งนั่งสมาธิไปจนมีความสึกตัวเองไม่ได้หายใจอ่ะค่ะเคยเคยเมื่อสองปีที่แล้วอออออืืมีเขามสึกตัวเองไม่หายใจอ่ะต้องกลัวนะคะคือเริ่มต้องถอนตัวเองออกมาถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราถ้าท่าได้ถึงขั้นนั้นเนี่ยเราควรจะทํำยังไงคะครูเซี่ยก็บอกให้ตามเห็นการเกิดดับของขันที่ห้าต่อไปนะเพราะสมาธิที่สูงกว่านั้นอีกก็มีอีกหลายหลายขั้นตอนซึ่ง ในแต่ละขั้นตอนที่สูงกว่านั้นก็หลักการเดียวกันคือตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าหรือขันธ์ทั้งสี่นะให้พยายามหาการเกิดดับแลใช่เฝ้ า, า, าดว่าคล้ายๆลมหายใจระดับไปแล้ว<อ>ตรงนั้นเหรอไม่ไม่ใช่คือจะลมหายใจดับหรือสมาธิขั้นใดก็ตามเนี่ยให้เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นในสมาธิระดับด น, นั้นนว่ายังมีอะไรเกิดดับอีกไหม mm hmm. ซึ่งพระเจ้าบอกขันธ์ทั้งห้าเนี่ยยังทํางานอยู่ ในชาลหนึ่งสองสามสี่ส่วนในอากาสาวินยาอากินในวสัญญาเนขันทั้งสยังทำงานอยู่มันมีการทำงานของขันแน่นอนแต่เธอไม่เห็นแค่นั้นเองก็เลยให้เข้าไปเฝ้าดูให้ดียังยังไม่ตายหรอว่างั้นใช่เรายังมีชีวิต อ, อ่าอ่าอ่าอือมอือม Mm hmm. อืคือคือโยกไปจัดกระดูกมา mm hmm. แล้วทีนี้ตอนตอนที่ตอนตอนที่จัดกระดูกะน ะ, ะ้ามันเจ็บมากโยงดู mm hmm. ลมแต่ไม่ได้อืงก mm ็เลยใช้วิธีพิจารณาร่างกายแทนว่าร่างกายไม่ใช่ของเรามันเจ็บมันก็ไม่ใช่ของเรา mm hmm. เราแค่ยืมเข้ามาใช้เท่านั้นเอง mm hmm. นะคะ ได้ได้<ต>ได้แล้วแต่มันจะใช้วิธีไหนก็ได้ที่ทําให้โยมเนี่ยแก้ความทุกข์ได้นะซึ่งในแต่และมา้งวิธีมันอาจจะมาลงตัวที่วิธีนั้นพอดีซึ่งการดูลมหรือการทําสมาธิหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นพื้นฐานมาทำมาทำมาแต่จังหวะที่จิตมันพอดีกับวิธีนั้นโยมก็เลยบางทีนึกว่าวิธีนั้นได้ผลนะ มันอยู่ไปอยู่ที่มันไปลงตัวตรงไหนอย่างเงี้ยอ่า่อพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วสิที่ที่โยมพิจารณาไป่นีว่าสังขารไม่ใช่ของเราเนี่ยแล้วมันได้ผลคือมันก็ไม่มีความเจ็บอืมมันได้ก็มันมันก็เป็นมรรควิธีหนึ่งไงนะอ่าเป็นมรรควิธีหนึ่งทานหมดมรรคเปลี่ยนทานเล มีคำถามทางเว็บเดี๋ยวลองดูวันนี้วั น, นที่เท่าไหร่น่งยี 20, 23, 23นะ่สิบย่ิบสามยิบสามเนาะผู้ชมสามร้อยยี่สิบเจ็ดสถานที่นะจากไทยลาวเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ ห, หลายที่จากบุงการนิพพานคือภาวะของขันธ์ทั้งห้าดับไม่เหลือถูกต้องไหมดับไม่เหลือจากอุปทานน ะ, ะความยึดมั่นจากสมุดปาการ อ, อธิบายพร้อมยากงเวทนานุาัสนาอ๋อเวทนานุาัสนาพระเจ้าให้เห็นซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งติตสังขารที่มันปรุงแต่งออกไปเครื่อนออกไปจากลม เราก็ทำการปรุงแต่งให้ระงับนี่เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาจากชนบุรีอยากถามพระอาจารย์ว่าอีทีวีโสที่ฉันสวดทุกวันเนี่ยเป็นจากพระโอดหรือเปล่าก็มีส่วนหนึ่งใช่ส่วนหนึ่งที่เติมก็มีนะเราต้องใช้บทที่อ่อัดไว้ในเรื่องของโสตาปยังคศนะว่าบทเนี่ยที่อ่อ คนธรรมดาแต่งเข้าไปก็เยอะนะแต่ใครแต่งลองไปสาวหาชื่อกันเอาเองนะก็มีหลักฐานอยู่ว่าใครแต่งบ้าง <c oughs> จากบึงกลุ่มให้ทาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตมีความหมายอย่างไรอันนี้ก็คือรักความตระหนีนั่นเองนะซึ่งมีที่ในคุณธรรมโดรบันอยู่แล้วมีใจปราศจากความตระหนีเป็นมนทินนะ คำวมา ส, สาธุมีความหมายอย่างไรนะก็เป็นพุทธวจนะอยู่นะแดีแล้วถูกแล้วอย่างนี้เมื่อายบุญกุศลต้องจบคำว่า ส, สาธุไหมนะก็แล้วแต่เราน ะ, น ะ, นะไม่มีระบุไว้อุปสมบท8ปประการทานอาหารวันละหนึ่งมือ้อตอนเชาน้าทานผลไม้ได้หรือไม่ถ้าพิ่นาผลไม้นั้นเป็นยารักษาโรค ก, ก็ได้ยาวัชีวิก นะส่วนของต้นไม้ทั้งหมดเอาใบไม้มาเคี้ยวทานก็ไดนะ้ส่วนของต้นไม้ที่ใช้เป็นยาจากศีสเกดสิ่งใดก่อให้ทำแล้วก่อให้เกิดกรรมจะมีวิธีแก้อย่างไร ม, มักมีวงแปดเป็นวิธีเดียวนะก็คือที่เรามาประพฤติประมาจันกันนี่แหละนั่งสมาธิจเจริญภาวนานเนี่ยแก้กรรมได้แล้ว จากนครศรีธรรมราชนะบอกผมชื่อวัชระเมฆวันได้ศึกษาพุทธวิชชนะจากวิดีโอของอะจารย์และหนังสือมาสองปีก่อนนี้นำวิดีโอนะธรรมบรรยายในสถานที่ต่างๆนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะใน YouTube ก็ตามสะดวกนะเนื่องในปัจจุบันมีธรรมดผิดๆมากมาย ในระบบอนะินเทอร์เน็ตผมไม่ต้องการเงินทองชื่อเสียงบรารมีใดๆนะก็ผมหมายเลข401ในพุทธศาสนาเน็ตเวิร์กลงพิกัดไปแล้วนะเป็นรหัสประจำตัว <laughs> แต่ละคนได้เลยนะจากยโสธร การปฏิบัติที่เป็นการตอบแทนคุณพ่อแม่ทําอย่างไรดีที่สุดเนาะก็คือ <c oughs> ที่พี่เจ้าบอกทาสี่ประการไงพวกนี้ต้องเข้าไปใน FAQ ใช่ไหม <c oughs> ล้วจะได้ทราบคำถามยอดฮิตนี่เริ่มเป็นคำถามยอดฮิตเนยเริ่มมีคนถาม ถ, ามถึงมากขึ้นแต่กอนศึกษาพระธรรมกายมีรุ่นพี่อยู่มาอุบล แนะนำให้มาศึกษาพุทธัศนะก็เลยหันมาศึกษาคำพระเจ้าเป็นการศึกษาด้วยตนเองรลยอย่าก่อหนังสือพุทธวศนะนะได้นะเดี๋ยวจะจัดไปให้นะจากังการีหลานอายุ3ามสิปีเป็นเด็กมีจิตใจดีชอบทำบุญเคยบวชตอนปิดเทอมถูกรถชนเสียชีวิตจะไปเกิดในทันทีหรือไม่พบใดอืม ไม่ใช่นักประชากรซะด้วยนะหลักการก็คือเขาจิตเขาก่ออารมณ์ใดเนีน่ยนะนก็จะไปเกิดในอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแหน่งบุญก็ดีมีส่วนแหน่งอะบุญก็ดีนะผู้าก็ได้ตับไว้อย่างนี้ <c oughs> ่วนเกิดก็เกิดเลยนะจา ก, ก็ทํนาสอบถามวิธีลงรูปภาพในเครือข่ายของสมาชิกครับ พยายามลงเองหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ครับรบกว น, นทีมงานอธิบายด้วยครับกับคุณมาอ๋อเอ๊ะตมา ก, มาก็พึ่งลงเป็นเมื่อวันสองวันนี้สามสามหมู่คณะที่เขาเคยลง ไม่ทราบว่าเห็นจอทันหรือไม่เนาะ <c oughs> ถ้าเข้าไปในบุตรเน็ตแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปที่สถานที่สถานที่ของฉันกดตรงเมนูสถานที่ของฉันเนี่ย กดตรงสถานที่ของฉันนะตรงเนี้ยแล้วมันจะขึ้นเมนูสถานที่ข้างบนเป็นเมนูนะแผ่นที่สถานที่ข้อมูลส่วนตัวสมาชิกตัวเลือกออกจากระบบเนี่ยกดตรงสถานที่ของฉันแล้วมันจะขึ้นตรงนี้มาแล้วก็กดตรงรูปภาพ นะอ่ากดตรงรูปภาพตรงนี้อืพอกดไปปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นห้างละ ว, ว่าจะเพิ่มไม้ใช่ไหมอ่าเราก็กดบวกเพิ่มเข้าไปมันก็จะให้เรามาเลือกเอาในม้วนฟิล์มของเราหรือในกระจายภาพหรือภาพอะไรที่เราเก็บเก็บไว้ในเครื่องของเราเราก็เลือกนะสมมติเอาที่ม้วนฟิล์มปึ๊ง เข้าไปนะในมุวนฟีมีอะไรบ้างนะเราก็รูดดูเกิดเราอยากจะเอาอ่า <c oughs> พุทธวจนะส3สามเล่มนี้ขึ้นใช่เราก็จิ้มไปที่นี้จิ้มไปปุ๊บมันก็ติ้งเครื่องหมายถูกให้ลนะนะแล้วเราก็กดคำว่าเสร็จตรงนี้นะกดเสร็จปุ๊บอ่า <c oughs> มันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้ แล้วก็กดนี่อีกตัว น, นั่นเ่ยทีแรก้อามาไม่ได้กดนะภ้ามันไม่ลงอีกแล้วกดตรงนี้สตาร์ทอีกทีหนึ่งน ะ, ะกดสตาร์ทปึ๊บนะอ่ามันก็เข้าไปและนะตอนนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาออกจากระบบปุ๊บเนี่ย <c oughs> ล้วก็กลับมาที่ตัวสมาชิกก็แล้ มาที่สมาชิกก็ เ, เราจะดูว่าเวลาคนอื่นเขากดในตรงนี้แล้วเนี่ยเขาเห็นภาพที่เราลงไหมนะอันนี้ก็ขึ้นพัฒนาบารพงใช่ไแล้วก็ดูภาพล่าสุดนะมานันนี่นะมันมาเหมือนกันนะแต่มันเป็นภาพก่อนนี้นะ แต่มันควรจะเป็นภาพล่าสุดที่เราลงออสายยังเดินทางมาไม่ถึงเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยแค่นี้นะเรื่องลงภาพเคขาย ตอนนี้ลูกชายกำลังปิดเทอมเหรอต้องการมาบวชได้ยินว่าไม่ได้รับเนนไม่มีผู้ดูแลได้ยินว่าอุปชาใดที่บวชผู้มีอายุไม่ถึงยี่สิบถ้าบวชพระอายุไม่ถึงยี่สิบเนี่ยอุปชาต้องอาบัตน ะ, ะบวชเนนคืออะไรผู้ให้บวชมีอาบัตเหมือนพระไ ม, ไม่ไม่มีนะ ยิ่งมาอยู่เป็นผ้าขาวประพฤติปฏิบัติก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเนนนะมันจะมีข้อปฏิบัติเยอะเพราะเนนเนนผู้จ้ายังไม่ได้จัดว่าเป็นนักบวดนะยังเป็นอนุประสัมบัญไม่ใช่นักบวชจากลำลุ ก, กานะเขียนให้กำลังใจนะอืม วัน <c oughs> ทินี้พระอาจารย์เหนื่อยขอเป็นกําลังใจให้พระอาจารย์มีสุภาพแข็งแรงนะผมพยายามจะเป็นรัตนห้าก็ยังท้อเพื่อนรักกันตอนนี้ผมยังเปลี่ยนให้เขาเลิกเป็นศิทธสาบกมาเป็นศิทธถาคดไม่ได้เลยนะคนนั้นยังบอกว่าหลวงพ่อชาสอนอย่างนี้ท่านวิสุสอนอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าท่านทั้งสองนั้นมานั่งสอนพอร้อมกันเธอจะฟังใคร ฟังคำศาสดาไม่ดีกว่าหรือนะอก็เลยคิดว่าใครอินซีอินซีใครอินซีมันก็แล้วกัน <laughs> ใช่ให้เปลี่ยนโลโก้อาจารย์เขาเป็นตะตาคตนี่มันยากและเกนนะเขามองพระเจ้าไกลไกลแบบอู๋สองพันกว่าปีในี่ไกลามากเพราะไม่เคยอ่านคำของท่านศึกษาคำของท่าน ถ้าเราลองได้อ่านศึกษาคำท่านแล้วนำมาปฏิบัติจะรู้สึกว่าผู้เจ้าใกล้เรานะไม่ได้ไกลขนาดนั้ น, นจากอุบลราชธานีนผมมีความประสงค์ที่จะยึดหลักธรรมคำสอนของพระศาสดานะให้เข้าใจอย่างจำแจ้งลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะอืมขอหนังสือมาเพื่อไปศึกษาได้ได้ได เดี๋ยวจะจัดให้ต่อไปน ะ, ะที่สลามีไหมเจนจับรักการบรรจ้นะคะอ่าเ <c oughs> พิ่งมาครั้งแรกอ่าอนี้คือจะถามค่ะว่าเรามีความตั้งใจให้ใครสักคนหนึ่งค่ะมาฟังทำคือส่วนตัวคือแม่ของตัวเองนี่แหละค่ะอ่าคื <c oughs> อพ่ <c oughs> <c oughs> อได้เสียช <c oughs> ีวิตกระทันหันใช่ไหมคะลที เขาก็เสียใจมากเพราะเขาอยู่กันสองคนส่วนลูกก็อยู่ต่างจังหวัดทีนี้สิ่งที่เขาทําได้ก็คือ <c oughs> ทํางานหนักมากอะไรอย่างนี้ค่ะวันหนึ่งเราก็ได้บอกว่าเออแม่อยากให้ไปฟังธรรมบ้างหยุดทํางานแม่บอกว่าไม่ต้องมาสอนออ่าถ้าทําแล้วเนี่ยก็คือจะเลิกเลิกคิดถึงพ่ออะไรประมาณเนี้ค่ะเราอ่ะมีความตั้งใจว่าอยากให้เขามาฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจหลายครั้งมากตั้งแต่ กังวันแม่ ว, ว่าทํางานนะอะไรเงี้ยค่ะงั้นไปตอนกลางคืนแต่งตัวเสร็จทุกคนมารอเสร็จสักคือที่แถวบ้านนะคะโชคดีที่ว่ามีพระนักปฏิบาาัติคระก็ท่านสอนทําดีมากเพราะเมื่อก่อนตัวเองก็ตอนพ่อเสียก็คือไปอยู่บ้านเฉยๆค่ะครึ่งปีพระท่านก็บอกว่าให้ละความโศกเศร้าอะไรประมาณนี้ค่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นเรารู้สึกว่าเออดีนะก็อยากให้แม่ไปบ้างอะไรเงี้ยทาทุกอย่างพอถึงตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ไม่ได้ทํางานแลใช่ไหมคะแมบบ่บกวปวดหัวมั่งนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงคือมีความตั้งใจมากอยากให้ท่านช่วยแนะนำหน่อยว่าเออมีอะไรบ้างที่จะทําให้แม่เปลี่ยนใจได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ท่านพักอะคะ่ะคือไม่อยากให้แบบว่าจนถึงจุดสุดท้ายให้เดินไม่ได้แล้วต้องมากําหนดลมหายใจเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดซดีให้ท่านฟังนะ ซีดพุทธวจนะเนี่ยให้ท่านฟังพระเจ้าบอกตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาทํำยังไงอย่างมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้เขาศรัทธาในตถาคตนะคำสอนตถาคตเนี่ยนะอ่าอันดับแรกเราเองต้องศรัทธาก่อนเมื่อเราศรัทธาแล้วเนี่ยตำแหน่งตำราต่างๆของเราจะเป็นพุทธวจนะทั้งหมดแล้วเราจะคล่องในคําพระศาสดาแล้วเราจะหยิบยื่ยนคําศาสระให้มารดาบิดาเราได้ แล้วเราจะเชื่อมั่นว่าเราให้คำสอนนี้เขาต้องดีแน่นอนแล้วเราจะเชื่อปะเราจะไม่ให้คำสอนใครเราจะให้คำสอนแต่คำตาถาคดเพราะเราเชื่อว่าตถาคดเก่งที่สุดนะเราก็จะพยายามทำให้ท่านเนี่ยคือมารดาบิดาเราเนี่ยศรัทธ <c oughs> านในพระพุทธเจ้า <c oughs> แลวถ้าท่านได้เงื่อโสลงฟังเนี่ยสักพักหนึ่งน่าจะเข้าใจกตทีก็อยู่ที่อินทรีย์ของเขาละ ว่าอินทรีย์เขามีมากน้อยแค่ไหนนะคนที่เคยสร้างบา ร, รมีมากับผู้เช่าเคยสร้างเหตุปัจจัยกันมาฟังแล้วมันต้องเก็ตนะคนฟังคำผู้เช่าเก็ตก็มีไม่เก็ตก็มีนะยังถือของผิดอยู่ก็มีอินทรีย์เขาน้อยนะสิ่งเลอที่สุดไปถึงเขาแล้วนะปากประตูแล้วนะอยู่ที่ก็คว้าไม่คว้าใช่ไหมแต่เราก็ทำเรื่อยๆในฐานะลูกใช่เราก็ตอบแทน ขอโอกาศค่ะพระอาจารย์อพอดีเรื่องที่ที่น้องเขาถามก็จะแชร์ให้ฟังนิดนึงค่ะ <c oughs> พอดีก็มีปัญหาเหมือนกันคือคุณพ่อก็เชักจูงยากมากค่ะเพราะว่าเป็นคนจีนแล้วก็พิธีกรรมเยอะมากค่ะออืแล้วก็คุณพ่อก็จะชักชวนยังไงก็ไม่ยอมฟังค่ะก็คือใช้วิธีว่าทุกครั้งที่พามาหาหมอที่กรุงเทพค่ะต้องนั่งรถจากโคราชมาค่ะก็ใช้วิธีเปิดซีดีให้ฟัง ทีนี้ก็แรกๆ ก, ก็เปิดพระสูตรเปิดอนาปาปรถถมธรรมค่ะ uh huh. ท่านก็จะหลับเลยค่ะ uh huh. ไม่ฟังพอตอนหลังเนี่ยค่ะก็เปิดแผ่นบางไสอะค่ะ uh huh. ที่จะมีถามเรื่องที่เป็นแบบเหมือนทางโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากหลับหลับนี่ไม่หลับแล้วค่ะตลอดทางนั่งฟังมาตลอดค่ะ uh huh. จนจนล่าสุดก็คือวันตุดจีนนะคะ uh huh. ปกติจะพิธีกรรมเยอะมากค่ะ บอกยังไงก็ก็ไม่เชื่อค่ะแต่ปีนี้ขอบอกว่าลูกๆไม่ไปไหว้เจ้าได้ไหมก็ปีเดียร์ปีแรกลูกเองลูกลูกขอพ่อว่าว่าคือคือตัวโยมกับพี่ชายก็มาที่นี่อยู่แล้วอะค่ะก็ก็คือศึกษาพุทธวจนากันนะคะแต่นี่คุณพ่อยังยังไม่ยอมมาทีนี้พอปีตุรจีนปีนี้ก็บอกคุณพ่อว่าโยมกับพี่ชายอะจะไม่ไป ไหวเจ้าอะค่ะอืที่ที่สัรเจ้าอะค่ะแล้วอยู่ดีๆคุณพ่อก็ยอมแต่โดยดีค่ะอซึ่งซึ่งก็ปกติจะพูดยากมากค่ะก็ไม่ทราบว่าทำยังไงเพราะทําทุกวิถีทางกันแล้วก็ก็ไม่ได้อ่ะค่ะออก็อาจจะเป็นที่อนุสาธนีปฏิหารก็ได้ค่ะอ่ใช่ใชต้องให้ผู้ย้าไปเปลี่ยนท่านนะเราไม่เปลี่ยนท่านไม่ได้ถ้าไงผู้จ้าไปเปลี่ยนอ๋อ น่ายินดีนะอ่ <c oughs> ระหว่างยังไม่มีคำถามนะแถมตรงนี้เป็นหน่อยจากชนบุรี <c oughs> มีศูนย์หรือวัดที่ปฏิบัติพุทธศาสนาที่พัทยาบ้างไหม พระอาจารย์มาแสดงธรรมที่นี่บ้างไหมวันเดือนปีอะไรอ๋อเอ๊ถามไปที่นั่นสิวิทยุพัทยาน่ะอ่าเอฟน่ะเขามีบอกนะเพราะเห็นข้อนิมนิมาจะไปแสดงธรรมน่าจะที่สลาว่าการเวืองพัทยาเลยนะอ่าเข้าไปในในบุธด้านเน็ตนะนะน่าจะเจอได้ ค่ะอาจารย์วันที่ยี่สิบสามค่ะพระอาจารย์ตอนบ่ายสองค่ะที่สาลาว่าการมัอพัทยาอี่สิบสามเมษายนคี่สิบสามเมษายนบ่ายสองโมงใช่ไหมโอเคนะถ้าได้ฟังอยู่ก็ติดตามไปด้วยแล้วกันนะจากชนบุรีนะอันนี้ยาวมากนะ สรุปว่าก็ทําทพระสงแตกแยกหรือไม่นะอ่าก็คือคาราวาทําสงแตกแยกไม่ได้นะอ่าผู้ที่จะทําสงแตกแยกได้นั้นคือสงในสมานสังวาสเดียวกันเท่านั้นนะพิกษุณีก็ทําไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทําได้อุบาศิกาก็ทําไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทําได้สัมมเนนทําไม่ได้สัมมเณรีทําไม่ได้นะอ่าเพราะฉนั้นคาราวาของเราเนี่ยหมด เรื่องอนันตกรรมเป็นหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ฐานะที่ที่จะมีได้ตรงนี้จากสีสเกตนะประสบความสำเร็จไม่มีความทุกข์กายใจคุณทำอย่างจะประสบความสำเร็จไม่มีความทุกข์กายใจทำยังไงอ๋อ <c oughs> <c oughs> ห้าอย่างทำา5ประการศรัทธาศีล ส, สุตตะจาคะปัญญานะ ผู้เจ้าบอกปรารถนาอะไรได้หมดนะจากจังหวัดน่านนะความหมายของคำวัตถาคตผู้เจ้าตัดไว้หลายนัยะไปดูในจักพระโอดก็ได้นะนะรู้อริสัตสนะีเนรู้ปฏิจจสุบาพวกนี้นะความหมายของพระองค์ จากนักคอมสีหลังฉันพระอาจารย์บันทึกเทบรายการอ๋ออันนี้ของเก่าของเก่าอืมสติปัฏฐานสี่ถึงนิพพานไหมถึงนะสังยุตห้า <c oughs> ก็เครื่องร้อยรับจิตเนะี่ยความพอใจนะฉันทราคาห้าประการที่ทำให้สัตว์ติดข้องอยู่แล้วก็ ต้งละละได้ก็เป็นนาคามีรนะรายละเอียดนี้เคยบอกไปเยอะพอสมควรแล้วนะอก่าคงเท้ผู้ใหม่ขอถามเรื่องเกี่ยวกับการลงพิกัดในเดตเวิร์กว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่หรือเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เนื่องจากตอนนี้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นบ้านเช่าอ๋อเปลี่ยนแปลงได้แค่เราเราลบที่อยู่เราก็ออกก็ได้แล้วนะแล้วเราเปลี่ยนที่อยู่เขียนที่อยู่ใหม่ แต่เวลาลบที่อยู่แล้วเนี่ยเห็นผู้เขียนโปรแกรมว่าตัวเลขมันจะหายไปด้วยนะแต่ถ้าเราออกจากระบบเนี่ยตัวเลขยังไม่หายแต่ถ้าลบที่อยู่แล้ ว, ลวเนี่ยตัวเลขจะหายเวลาเราเข้าไปแล้วเราจะได้ตัวเลขใหม่นะเพราะมันมันจะรันตามผู้ที่เข้ามาแต่ก็จะมีมีสองอันให้เลือกว่าเราจะเลือกเอาตามตัวเลขที่คนเนี่ยรันเข้ามาหรือว่าะจะเลือกจาก จากตามอักษรหรืออะไรเงี้ยนเื่อคำถามนี้จะตรงกับของโยมบ้างเนอะจากสุรินถ้าพระไม่ห่มจีวรในเวลาอยู่ในที่สาธารนณะหรือสนทนาธรรมกับคาว่าจะผิดวินัยเสกชีวรหมวดสารูปข้อที่สองว่าเราจากนุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อยหรือไม่นะ เราจะข่มเป็นปริมณฑลอ่อ <c oughs> แยกกันนะเรื่องสนธนาธรรมกับอยู่ในที่สาธารณะอยู่ในที่สาธารณะคืออะไรคือพระเจ้าใช้เกณฑ์อย่างนี้ว่าการอยู่ของพระเนี่ยอยู่ในเขตสีมาหรือนอกสีมาเขตสีมาคือเขตที่อยู่ของพระซึ่งกําหนดได้ในลักษณะ ท, ที่นั้นมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของ ถ้าที่มีเจ้าของต้องให้เจ้าของอนุ ญ, ญาตถ้าที่ไม่มีเจ้าของตัวเองกําหนดเขตได้โดยอาศัยนิมิต8อย่างเช่นภูเขาก้อนศิลาจอมปลวกใหญ่อะไรพวกนี้เส้นทางแนวป่าเป็นนิมิตเครื่องหมาย8อย่างที่ให้รู้ว่านี่คือเขตที่อยู่ของเราการออกนอกเขตสีมานั้นต้องห่มปิดสองไหล่นะแต่ถ้าอยู่ <c oughs> ในวัดป่ารามอย่างเนี้ยอืมก็ไม่จําเป็นนะหม่มเฉียงบ่าได้นะหรือว่าเอ นุ่งห่มอย่างไรก็ได้นะให้ลักษณะเป็นปริมณฑลซึ่งในในการนุ่งห่มของพระเนี่ยก็จะมีระเบียบวิธีระดับหนึ่งแต่ไม่มีการลงรายละเอียดมากนักนะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องสนทนาปุ๊บสนทนาอุ้าไม่ได้บอกเพียงแค่สนทนาการขบฉันการทําทปริกรรมะทาปริกรรมทํากิจสงอะไรก็ตามอย่างนี้ในเขสีมานอกเสมาก็ตามก็ ผ้ามเปือยกายอืมการเราก็กลับไปหาว่าเปือยกายเนี่ยนะมีอะไรเป็นเกณฑ์วัดพระเจ้าก็อีกพระสูตรหนึ่งก็เนี่ยมันต้องสืบคนอย่างนี้นะพอพระเจ้าบอกทีละอันทีละอันทีละอันอย่างเนี้ยนะอ่าจจะต้องไปหาพระสูตรอืนะ่นเกณฑ์ของการไม่เปือยกายก็คือมีเครื่องปกปิดกายสามอย่างน้ําผ้าเรือนไฟนะโ ด, ดลงไปในน้ําเนี่ยไม่ต้องรุ่งผ้าได้ชื่อว่าน้ําเป็นเครื่องปกปิดกายนะอ่า เ น, นเวลาพระในคำพุสธการเขาจะอาบน้ําอย่างเงี้ยเขาก็ลงแม่น้ําอย่างเงี้ยตัวน้ำเป็นเครื่องปกปิดกายเรือนไฟชันตาคละก็คือห้องอบกายที่หมอชีวกมาขอพระเจ้านะขออนุ ญ, ญาตให้ภิกษุเนี่ยอบตัวพระเจ้าอนุญาตเนื่องจากกินดีอยู่ดีมากเกินไปนะอ่าก็ต้องขับของเสียออกทางเหงือกบางพระเจ้าอนุญาตตัวเรือนไฟเนี่ย พิสษุเข้าไปเนี่ยไม่ต้องนุ่งผ้าได้ตัวเลือนไฟถือว่าเป็นเครื่องปกปิดกายอย่างที่สามคือผ้าถ้าพิสูตมผีผ้าผืนใดผืนหนึ่งปกปิดร่างกายไม่ใช่ว่าเปลือยกายย่มมจะเห็นว่าเวลาพระนั่งสนทนานเนี่ยในวัดทั่วๆไปเขาจะห่มจีวรเผยเผยผ้าสังคานะ่ะเต็มสูตรเรียบร้อยนะแต่ตมามนุ่งกองแก้งด้ยกันก็นะ ก็พินัย์นะก็ไม่ผิดพินัยนะอาจจะไม่ได้เกรดเอก็ธรรมดาแค่พอผ่านนะนะแต่ผลมันมันต่างกันเพราะว่า1นึจีบอลเขาไม่ได้ยอมด้วยน้ำฝาดนะจีบอลเขาเนี่ยไม่ได้ทําตามพินัย์เขาซักน้ํายาซักได้ทุกวันจีรอลาฏมาเนอี่ยมีผืนเดียวนะจีบอพระวัดอื่นมีเป็น10ผื่นผู้เจ้าบอกห้ามมีจีบอเกิน3ผืนสังขารติ สบงจีวรลยมลองไหมล่ะนะอ่าใช้ผ้าผืนเดียวเนี่ยแล้วยมจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่พระไม่ได้ทําอย่างอาตมาหมดเนี่ยพระไม่ได้จ้อมจีบอลด้วยน้ําฝาดดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังรักษาผ้าเราอย่างดีสิบห้าวันเราซักทีเราซักทุกวันไม่ไหวอะโยมเพราะซักทีเขาวันหนึ่งหมดเวลาไปวันหนึ่งเลยถ้าซักทุกวันไม่ต้องมาทําอะไรละซักนัง่งซักผ้ามันทุกวันใช่ไหมดัง น, นั้นจีบอลเราก็คือ15้าวันซักทีเมื่อ กิจใ ด, ไ, ดไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยเราก็ไม่ใช้เพื่อรักษาไว้ใช้เสร็จปุ๊บต้องรีบผึ่งตากให้เรียบร้อยตากแดดหรือว่าเวลาชื้นอะไรมาเนี่ยอยู่ใน <c oughs> ในกติก็ต้องผึ่งตากไว้เืราะนั้นจีบอลจะขึ้นลาง่ายเพราะมันไม่ได้ซักนะีโยมนะโยมลองใส่เสื้อผ้าสิบห้าวั น, นยอยู่ไหวไหมอ่าเพราะนั้นก็มันก็พอสมควรนะอตาตมาก็ไม่ไม่ห่มผ้า เพราะว่ามันไม่ผิดวินยัยแต่ถ้ามีวินัยคุมบัฟว่าถ้าไม่หม่มอุตราสังคังอุตราสงปุ๊บผิดปุ๊บเราก็ต้องหม่มแต่เมื่อวินัยเปิดช่องได้เราก็เปิดนะเราก็ใช้ช่องนั้นนะอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้ผิดตรงเราก็มีผ้าปกปิดกายสิ่งพระเจ้าบอกถ้าหาผ้าปกปิดกายไม่ได้เนี่ยผ้าเช็ดทงเช็ดเท้าก็ได้ก็ต้องใช้ปิดได้นะหรือถ้าไม่มีบอกแม้แต่ใบไม้ก็ต้องเดินปิดมาน่ะอย่างนี้มีลงรายละเอียดทั้งหมดเลยโย่ นะอย่างนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเลยเรานุ่งขนาดนี้ไม่เปลือยกายแน่นอนสแสดงทําได้ขบฉันได้ทํากิจสงต่างๆได้หมดเลยถูกตามพระวิ น, นัยนะแต่อาจจะไม่เหมือนกันที่อื่นนะแต่โยมก็ต้องดูเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันที่อื่นด้ถ้าเขาใช้ผ้าอย่างอาต ม, มาผ้าย้อมน้ําฝาดอาตมาก็อยากจะรู้นว่าเขาจะจะผมผ้าไหมนะหมผ้าเนี่ยมันร้อนมากนะโยมนะจีวรเนี่ยนะเหงื่อมันจะชุ่มข้างในหมดนะโยมนะ แล้วก็ทั้งเหงื่อชุ่มทุกวันนะนะ่ะสิบห้าวันเนะี่ยกลิ่นมันจะขนาดไหนนะตอนมาบวชมาปีแรกเนี่ยหมูรู้สึกขยักขยายมากเลยนะจีวรเนี่ยหมูหน้าเราก็สายวัดป่าสนะิบห้าวันซักทีอืมแต่เราก็ลองดูไม่ซักเลยนะ่ะหกเดือนมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยก็ <c oughs> เคยลองมันขยักขยายมากใช่ไหมไม่ต้องซักมันเลยอยู่มันไปสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนโอ้มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ โอ้มันรู้สึกไงอยากขยัง่งนะแต่ก็อยู่ไปดูซิเป็นยังไงแต่ไม่ซักเลยก็ไม่ดีผ้ามันก็จะพังง่ายขี้เหงื่อเราเนี่ยมันเกาะผ้าเกาะผ้าไปเรื่อยเปื่อยเหงื่อมันกัดผ้าขาดพังหมดอ่นะซักเยอะไปผ้าก็เปื่อยพังเร็วอีกก็ครูอาจารย์พาม า, าสิบ้าวันซะักโอเคพอดีพอดีอดนะแล้วรักษาประมาณนี้เอาไว้นะไม่ถีมากเกินไปไม่หางมากเกินไปนะ ก็อยู่มาเรื่อยๆก็รู้สึกชินแล้วนะนุ่งผ้าสิบห้าวันซักก็ไปเวล้อนทีก็หน้าหนาวก็เดือนอยซักก็ได้นี่เหตุจารย์เป็นอย่างนี้นะก็ก็อธิบายเผื่อไว้เผื่อยมจะเห็นว่าอาจจะมานุ่งผ้าผ้าซ้อนมานะอันนี้ก็เรียกผ้าสอนแต่จริงๆแล้วอ่าในศัพท์ของพระจะใช้คำว่าาริขารโจลังผ้าบริการทั่วไป ซึ่งพระอาจารย์อนุ ญ, ญาตให้มีได้ไม่จำกัดจํานวนสีขนาดนะส่วนในตัวนี้จริงๆก็ไม่มี <c oughs> ที่เขาเรียกว่าอังส่าเนี่ยไม่ไม่ไม่มีในบัญญัติเวลาพระจะอธิษฐานไม่ได้อธิษฐานคำว่าอังส่าแต่อธิษฐานปริคาราโจหลังผ้าบริการทั่วไปนะดังนั้นผ้าบริการทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นยังไงก็ได้ผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเอาไว้เพื่ออำเนยความสะดวกต่างๆจะมีคนบอกอีกปกติเนี่ย พระห้ามเหยียบผืนผ้าแต่ถ้าผืนผ้าที่ไว้สําหรับเหยียบได้ไม่เป็นไรเนี่ยอ่ามันมีมียกเบ้นนิดน้อยนนี่ถ้าคนศึกษาวินัยมเมเลีย ก, ก็อาจจะเข้าใจผิดก็ได้นีอ่าแล้วพระเจ้าเนี่ยไม่ให้ขึ้นศาลาเนี่ยทั้งที่เท้ายังเท้ายังเปียกเท้ายังมียางน้ําอยู่เราล้างเท้าแล้วเนี่ยย่ําขึ้นไปเนี่ยถูกปราบบัติเนี่ยอ่าเท้ายังมียางน้ําน้ําเปื้อนเนี่ยเหยียบขึ้นศาลาไม่ได้พระเจ้าให้เช็ดเท้าให้แห้ง รักษาเท้าให้สะอาดและจัสังเกตเหว่าแต่ละจุดจะมีพ้าเชนดเท้าหมดนะอ่ามันมาจากวินัยทั้งนั้นเยนะอ่าอย่างนี้นั้นเนี่ยหลักการของการเป็นพระปฏิบัติก็คือเอาวินัยมาใช้ให้หมดนะเพราะองค์บอกอย่างไรก็ทำทำทำมันจะเกิดความฉลาดขึ้นเองเยู่นะอ่ามันจะเรียนละออถี่ถ้วนหมดแต่แล้วทุกอย่างเนี่ยจะมีพระวินัยรองรับหมดนะอ่าีกเลองสู่กันฟังอ่ฮะ ถ้าถ้าตัวตัวสบงซึ่งให้สบงคลองนะฮะ <c oughs> สบงอาศัยนี่พระเจ้าบอกเป็นปฏิขาและจวรลังอังสาก็เป็นปฏิขา<ๆ>และจวรลังใดังนั้นก็ไม่จํากัดจํานวนเลยใช่ไหมครับใช่ไม่จํากัดจํานวนอีพืนก็ไม่จำกัดนนใช่ <c oughs> ใช่แล้วผ้านี้ก็คือซักทุกวันได้ <c oughs> แต่นั้นผ้าที่เราซักทุกวันคือคผ้าผืนนี้ที่ติดกับตัวเรา <c oughs> ส่วน أ, สังคาติชีวรนสบงซึ่งเวลาออกจากเขียดเสียมาเนี่ยจะไปบินตาบายเนี่ยต้องหม่มต้องครบ อ่าอันนี้ก็จะใช้ช่วงเวลาออกไปกิจข้างนอกวัดบิณฑบาตนะหรือไปทําอะไรข้างนอกวัดนะ <ผม S 1> กลับมาก็รีบพึงผต้องครบแต่ถ้าเผื่อกลัวเปียกฝนก็เอาพาเอาจีวรทับไม่ไม่ผิดใช่ไหมครับเอาสังกติพาดในจีวรทับไว้สังกติพาดในถ้าฝนจะตกผู้อาาอนุ ญ, ญาตให้ไม่ต้องนําไปครบสําหรับได้ครับเอาสังกติเก็บไปได้เผื่อสแปรไว้เป็นผืนผืนแห้ง ป้องกันไว้จะมีเหตุห้าประการที่ไม่ต้องนําจีวรไปครบสําหรับนะเช่นอาพาธป่วยรู้ว่าฝนจะตกไปสู่ฝั่งแม่น้ําอะไรอย่างนี้นะจะอนุญาตยกเว้นได้คำคำว่าสบงอาศัยกับปางสานี่เป็นคําที่ไม่ใช่ตั้งขึ้นใหม่ใช่เราเลยไม่พยายามใช้คํานั้นอะไรใช้คําว่าผ้าผ้าซ้อนครับประคบนี่สมัยพุทธกาลมีไหมครับอผู้เจ้าจะใช้คําว่ากายะบันทนังผ้าพันกาย บรรทันนังพันท่าพันทะแล้วก็กายะกายะพันทะาอ่าอที่มันมาพันกายผ้าพันกายจะเป็นลักษณะก็เหมือนร่าประคดทุกวันนี้ใช่ปะใช่ใช่พระอาจารย์ถ้าเฉวียนบาทเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเป็นเป็นทักด้วยหวายหรือเปล่าครับเป็นพลาสติกได้ไหมครับผมเั็างวัดใช้พลาสติกอยู่ได้ไม่ไม่ไม่มีจำกัดนะอ่า ไม่ไม่มีจำกัดดวยวัสดุอะไรก็ได้ใช่ไหมวัสดุอะไรก็ได้นะจริงจริงไอ้ที่รองบาทเนี่ยมันจะมีสามอย่างมันจะมีบังเวียนครับอ่ามีเชิงบาทบนะแล้วก็มีโตกครับนะอ่าไอ้บังเวียนเนี่ยเอาไว้กันก้นบาทศึกซึ่งปัจจุบันเนี่ยหายไปละไม่มีใครทาเลยครับแค่กันก้นบาทศึกอเพราะบาทเนี่ยวางปกติบาทเนี่ย พอได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยเอาวางอย่างเงี้ยไม่ได้แรกๆก็วางได้วางไปวางมาก้นบาดศึกพผู้เจ้าก็ปัญยัดห้ามต้องมีของนิ่มรองก่อนใบ ไ, ไม้ก็ตามผ้าก็ตามวางได้หรือวางบนบังเวียนมันเป็นที่รองบาดการก้นบาดศึกลักษณะคือท oh ําด้วยโลหะแต่ไม่รู้ว่ารูปร่างยังไงแต่รู้ว่าพิสูจน์ในคำมุติการเอาบังเวียนมาโยนเล่นกันได้เหมือนห่วงยางอย่างเงี้ย อ, อมีการปรับความผิดกันตรงนี้ แต่ท่านี้ไม่รู้ไม่มีการอธิบายลักษณะของบางเวียนแต่ลักษณะเนี่ยทำด้วยด้วยโลหะโลหะที่อ่อนกว่าบาทนะอีกอันหนึ่งเนี่ยเหตุปัจจัยคือเมื่อวางบาทลงที่บา ง, บางเวียนแล้วเนี่ยลมยังพัดบาทตกแตกได้อย่าลืมว่าบาทในคำพุทธการเนี่ยทำด้วยดินและเหล็กอ น, นุญาตสองอย่างถ้าพระที่ใช้บาทดินก็คือเอาดินมาปั้นเป็นรูปบาทแล้วก็เผานะมันก็คือจานกระเบื้องเราดีๆนี่เอง ซึ่งมันหล่นปุ๊บก็แตกนะก็เลยพระย่าอนุญาตเชิงบาดนั่นแสดงว่าเชิงบาดต้องใหญ่กว่าบางเวียนแล้วก็แน่นหนาการบาดวิ่งตกได้มีเหตุต่อมาอีกว่าภิกษุเนี่ยอุ้มบ า, ขาดขณะถือไว้ฉันอาหารนี่ไม่ไหวอาภานก็เลยอนุญาตตกเพื่อลองบาดเวลานั่งฉัน กลายเป็นว่าปัจจุบันณวันนี้เราใช้เชิงบาทมาเป็นตกนะเพื่อลองฉันแล้วก็กันบาทตกด้วยสองหน้าที่เลยนะบางเวียนหายไปนะเหลือเชิงบาทอันเดียวใช้แทนทั้งใช้เป็นทั้งเชิงบาทแล้วเป็นทั้งตกในหน้าสองหน้าที่เลยในตัวเดียวกันอันเกิดไม่ผิดวิบัญญัติกันไหมครัก็ไม่ไม่ผิดอะไร เขาโกลวแต่ว่าสีของอสีของที่ใส่ครับสีที่ใสเป็นสีจีวรผมเพงเห็นเหมือนกันก็ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าอย่างนี้เป็นบัญญัติห้ามไหมฮะว่าถ้าไม่ใช่ภิกษุนี่แล้วมาใส่เหมือนรูกคือรูปแบบของอุบาสิกาเนี่ยหรืออุาสกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้บอกเอาไว้แล้วแต่ก็ก็แล้วแต่ อยากจะโกนหัวอยากจะนุ่งอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรฮะผู้เจ้าจึงไม่ได้จัดเป็นนักบวชไงแต่พอเป็นนักบวชผู้ว่าต้องอยู่ในกรอบผู้เจ้าถือว่าศรัทธาแล้วเนี่ยศรัทธาผู้เจ้ามากละต้องอยู่ในกรอบทันทีก็จะเรียกว่าอุปสัมบันคือนักบวชนะจีวรก็จะมีรูปแบบหมดนะอ่ามีขันมีกุศิมีอัตกุศลมีรังดุมลูกดุมลูกดุมรังดุมต้องห่างจากชายผ้าเข้าไป7ถึง8ปองค์ุลีอะไรอย่างนี้เนี่ยรายละเอียดซึ่งผ้าดุมเป็นคนออกแบบ แล้วพู้เจ้าก็รับรองเอาไว้นี่เรื่องวินยัยจากสุขวาภิบาลห้าก็บอกว่าให้ขยายความเรื่องกับผลีกาลาหารอย่างยมหมอถามไปเมื่อสักครู่นี้นะ สังโยชนิดที่อริยสาวกประกอบเขาแล้วจะพึงเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อไม่มีใช่ <c oughs> มีมีพระท่านหาพระสูตรที่สนับสนุนโครงการชวนน้องท่องพุทธศนามาอีกหลายพระสูตรนะว่าวลีคำพูดที่พระเจ้าบอกว่ า, าฟังคำของตถากตห น, นึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจทั้งตลอดอย่างดีด้วยความเห็นโอ้มันมีในหลายพระสูตร แลวเป็นตัวการันตีหมดเลยว่าจะไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะอ่าอย่างเงี้ยมันจะมีตัวนี้ด้วยนะก็มันทำให้ได้ความเป็นอริยขึ้นมานะอ่ะั้นตัวนี้เป็นตัวเหตุปัจจัยหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากนะอ่าซึ่งเราไม่เคยทราบมา ก, ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตัวคำว่าอาคามีของที่การวางจิตการวางจิตในการให้ทานนะที่ ไม่หวังผลในทานไม่มีจิตปลุกพันในผลไม่มุ่งการสังสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวนผลของทาง น, นี้ปุ๊บแต่วางจิตยังไงเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตจะทําให้เขาเนี่ยไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะก็คือเขาได้อนาคาเมนะซึ่งจะมีในในพระสูตรอื่นที่อธิบายอาคามีกับอนาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้กับไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะและในพระสูตรนี้ก็จะมีในพระสูตรอื่นๆซ้ํากัน ถึงการไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะอธิบายเพิ่มเนี่ยเนี่ยคือคำพูดชาติจะเป็นอย่างนี้เราจะสามารถไปคนได้ในพุทสูตอื่นแล้วมันจะสอดรับกันสอดรับกันกลายเป็นว่าถ้าเราให้ทานโดยวางจิตอย่างเนี้ยเราไปได้ถึงอนาคามีบุคคลนะอ่าก็เรื่องนีใส่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเรียนถามพระอาจารย์เรื่องหนึงครับ <c oughs> เรื่องหลวงขาวัดนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> ผมได้ยินวามีทุตุลนวั13ด้วยแต่ว่าถ้าคนดูนี่จะมีเฉพาะทวั8เลยไทราบจากเก่ารอาจารย์วตงนี้ที่พระเจา้าประจักษ์จริงๆเนียน่ยถึง8หมอ13อยังไม่ได้เช็คตรงนี้กันนะก็ทราบแต่ก่อนอเราก็เรียนมาจากครูอาจารย์ก็มีทุตุลนวัต13มานะอืมแล้วก็จากพจนานุกรมต่างๆก็มี13นะก็ แต่ยังท่านประยุทธ์ท่านก็บอกว่าในทุตดวงสิบสามเนี่ยมันกระจายกันมามันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแต่ในบางพระสูตรที่เราเจอเนี่ยมันก็มาอยู่ที่เดียวกันมากพอสมควรกลุ่มหนึ่งนะก็คิดว่าต้องอสืบค้นตรงนี้สักพักหนึ่งนะคื อ, อยังไม่มีเวลาก็ไม่น่าจะเช็คยากหรอกว่าจริงๆแล้วมีมีกี่ข้อแน่แต่ในในใ น, ในพระสูตรเนี่ยมีคาว่า ผู้ดงขวัตดเนี่ยาะแี่มีแล้วแข้อที่เรียงอยู่เป็นกลุ่ม่เทุกวันสัามไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เจอนี่จะเป็นคเป็นย่อยๆี่ผมเคยเคยผ่านตาใช่ช่ซึ่งไม่จัดอยู่ในกลุ่มอะไรเลยก็คือบางทีเพื่ออาจจะบอกอังนี้แปดไปพูดตรงนั้นอีกหนึ่งตรงนี้อีกสองอะไรอย่างนี้ถ้ามาจับมารวมกันเนี่ยก็จะเป็นผุ้งขวัตทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้ อันเนี้ยที่ที่ต้องเข้าไปเช็คตรวจดูว่าตกลงแล้วมีกี่ข้อนะแล้วปัจจุบันที่ที่เกิดพิษุจะถือทุรงเขาวัดเนี่ยอือจริงก็จะถือข้อข้อหนึ่งก็ได้ข้อใดก็ได้หรือไม่ถือเลยก็ได้ไม่ถือก็ไม่ผิดเพราะไม่ใช่ศีลใช่ใช่ววอ่าแต่แตพูะเจ้าก็แนะนำข้อหก็ได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ใช่ต้องกี่ข้อก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ด้วยเงื่อนเวลาอีกอ่าก็กลายเป็นว่ากี่ข้อก็เลย ไม่ค่อยสคัญเท่าไหร่แล้วทีนี้เรามาดูว่าพระมหากรสปะที่เป็นผู้เลิศด้านทุดงควร์เนี่ยถือกี่ข้อสี่ข้อเองน ะ, ะนก็สี่ข้อนี่ก็ได้เป็นเอตตัคขาแล้วแต่ก็เงื่อนวลายนะท่านรักษาตลอดชีวิตของท่านหลุดพ้นแล้วท่านก็ยังรักษาต่อไป <laughs> ตัวทุ ด, ดงขวัดนี้ก็สําคัญเนะี่ยมีผู้เจ้าเนี่ยชักชวนพระมหากระสปะบอกเราและเธอเนี่ยต้องช่วยกันสอนพิสูจนะ์ะเพราะว่าพิสูจ์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรักษาทุ ด, ดงขวัติกันนั่นแสดงว่าผู้เจ้าเนี่ยก็เชิดชูทุดงขวัดอยู่อาจารย์เราเราขยายแปะไปครับเผื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบบางสิ่งอะไรบ้างอย่างทุดงขวัติเนี่ยเช่นว่าการถือผ้าบางสกุลคือผ้าห่อศพหรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วก็ล้วก็ใช้อ่ะใช้มา นานพอสมควรน ะ, นะก็ถามว่าผ้าห่อศพราจากไหนเอาจากนิติเวศของที่กรมตำรวจเนี่ย น, นั้นมีเออโยมก็พาไปไปที่นั่นพอดีเราก็เราก็พาผพ้าไปดูด้วยแล้วก็เห็นผ้าเขาทิ้งอยู่เรื่อยๆวันละหลายหลายสิบผืนมากก็โยมก็ไปติดต่อว่าเออที่ทิ้งๆเนี่ยจะกอได้ไหมเขาก็ให้มาะอะไรเาก็ ห่อถุงดําใส่มาให้แล้วก็มาต้มนะแล้วก็มาซักยอมให้เรียบร้อยแล้วก็มาตัดเย็เป็นชีวอลนะอ่ามันก็เป็นดวงดวงด่งๆน้ําเหลืองน้ําเลือดนะอ่านี่จะหงส์จีไรก็ได้อารมณ์ดีเวลาอยู่กุฏิคนเดียวกลางคืนก็อยู่กับชีวอลทีบอลห่ศพมันมาด้วยเปล่าเนี่ยนะนี่มันก็ ได้ขูดกาวดีนะอืมก็อันนี้ข้อหนึ่งหรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วตามร้านตลาดผ้าตกข้างทางเราเดินบินธาบาาเจอแล้วก็เก็บมาค่อยๆสะสมตัดเย็บๆจนมาต่อเป็นจีวอนได้นี่เรื่องของการถือผ้าบังสกุลการถือจีวอนสามผืน <c oughs> ไม่มีไม่มีผืนที่สี่อืมเอ่อ เที่ยวบินทบัตเป็นวัดนะเที่ยวบินธบัตเป็นวัดตัวเที่ยวบินธบัตเป็นวัดเนี่ยก็คือไม่ฉันอาหารที่นอกเหนือจากบินธบัตด้วยนะแล้วก็บินธบั ท, ทุกครั้งไม่ขาดนะอ่านี่ก็เป็นทุวตรงวัดก้อนหนึ่งการฉันอาสนะเดียวอาสนะเดียวก็คือที่เราเรียกกันมื้อเดียว แต่พระเจ้าหมายถึงว่าลุกจากอาสนะแล้วเนี่ยไม่ฉันอีกนะต่างจากการฉันมือนอนม้อเดียวโดยศีลอย่างไรการฉันมื้อเดียวโดยศีนเนี่ยนะมันยังฉันอาหารที่เป็นเด่นได้แต่ทุตดวงวัดเนี่ยไม่ได้อนุญาตอาหารเป็นเด่นไว้ให้คือถ้าลุกแล้วก็จบกันเลยนะไม่ฉันอีกดันั้นเวลา <c oughs> แต่โดยศีนเนี่ยก็คือฉันอาหารเป็นเด่นได้แต่เป็นเด่นก็คือต้องมีคนออกมาให้อ่ะ ต้องมีพิสุที่ฉันเหลื อ, อามาให้ถ้าไม่มีฉันไม่มีคนออกมาให้พิสุจออกมาให้ก็คือฉันไม่ได้ดังนั้นเวลาพระจะนั่งฉันก็คือทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมหมดนะอาระโสนนะ้ำเนิมอะไรต่ออะไรคือลุกขยับไปไหนไม่ได้แต่ถ้าลุกก็คือจบไม่ต้องฉันอีกอย่างงีม้มีฉันฉันอาสนะเดียวฉันภาชนะเดียวไม่มีภาชนะสองก็คือฉันแต่ในบาทเท่านั้น นี่เป็นเรื่องที่ทำยากทั้งนั้นนะ่ะลองทำดูเราจะฟิตแรกๆเดือนสองเดือนพันนา น, านโอ้ไม่ไหวน ะ, น ะ, อะลองอตีดตดลรงกันเนี่ย <c oughs> แล้วก็ผ่านไปสองสาเดือนมนาะแอบถามกันนะ <c oughs> นั่งบนอาสนะนี่อยู่กับหมู่คณะก็ทุกอย่างเทลงในบาทดีนะแต่พอแยก ไปกุฏิใครกุฏิมันอ่านไปสามเดือนเททีละถุงไะเททีละถุง <laughs> <laughs> <laughs> ไม่อยากปนที่เลยมันจะเดินมาเหมือนกันหมดเลยยัง น, <laughs> นะะอ่าก็จะแอบถามมึงโดนมันะน่ะอ่แล้วนอกจากเททีลนะถุงแล้วโอ้มันมีอีกมากมายนะแต่ทีนี้บางคนก็ถามอาเราทุยรงขาไม่เททีถุง แต่ยังใช้ภาชนะเดียวอยู่ยังไม่ขาดแต่ย้อนหน่อย <c oughs> อย่านให้อีเลยหน่อยแต่ยังไม่ขาดเพราะมันมีลามไปกว่า น, นั้นอีกล้วก็ดูปล่อยไปซิใส่สทีละอย่างไม่อยากไปปนกันนะเสร็จแล้วก็ <c oughs> มันก็จะทานของข้าวเสร็จแล้วก็จะค่อยใสยของหวานทานของหวานไปแต่ยังภาชนะเดียวอยู่อ่ะไม่เป็นไรก็รทำไปเรื่อย พอต่อไปจากไปปุ๊บมันจะเดินหน้ามากกว่า น, นั้นเอ๊ะอ่ า, ามันเยอะวันนี้อิ่มเร็วทางนี้หมดทําไงดีจะใส่ของหวานไปมันก็ปนอืมตักออกนะตักอาหารออกใส่กระโถนดูดูความไม่อยากปนของมันนะอา่าพอเตาออหมดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะใส่ค่อยใส่ของหวานไปแล้วทํางี้เดินหน้าไปเลยๆเลยๆสักพักหนึ่งมันบอก อ, อย่าใส่เลยใส่ลงไปมันก็เปื่อนนิดหนึอง ตักในนั้นเลยดีกว่าอันนี้นะถ้าปุ๊บตักในภาชนะสองปุ๊บมันก็จะถือว่าทุดงขวัตขาดเราก็จะเห็นว่าแม้จะเปื้อนนิดเดียวมันยังไม่หยาให้เปื้อนเลยน่ะก็เลยทุดงขวัตเนี่ยแต่ละอันที่พระเจ้าคิดมาเนี่ยมันคูดเก้าคิเลธทั้งนั้นน่ะนะอ่เราก็จะเห็นการเดินหน้าของมันไปจนทั้งเอ่อทุดงขาดไปนะอย่างเงี้ยอ่าเนี่ย มันมีลำดับขั้นของวันหมดนะอ่านี่ก็มามาคุยกันในหมู่พระท่านก็นถามว่าเนี่ยถ้าเทเหลื่อมเวลาเนี่ยผิดไหมทุกดงขาดไหมก็ยังไม่ขาดก็เป็นสิทธิของท่านเพราะว่าบางทีเนี่ย <c oughs> เราได้ของมาเยอะเราก็ไม่สามารถเอาอยู่ในบาททั้งหมดกินพร้อมกันได้โยมได้ทุเรียนมาครึ่งซีกได้ข้าวนั้นโยมก็ต้องหยิบออกมามันจะไปหยิบ อะไรกบเค็กอยู่ในบาศนก็ไม่ไหวเวลาหยิบออกมาแล้วถือว่าเป็นภาชนะสองไหมนี่มันก็ไม่น่าถือว่าเป็นภาชนะสองเพราะเราจะชานอยู่ในบาศก็ได้จะมันลาบากเราก็เลยหยิบออกมาเพื่อไม่ให้เกิดความลําบากแต่เวลานั่นเสร็จแล้วก็หยิบเข้าไปใหม่อย่างเนี้ยอ่าดังนั้นนี่คือลักษณะของการเหลื่อมเวลาหรือยมได้ก็เตี๋ยวมาถุงหนึ่งกับกับข้าวอื่นๆนหนึ่งนะยมจะเทไปพร้อมกันไหมอีกคนบอกผมไม่เทพร้อมกัน นะผมฉันของแห้งก่อนเสร็จแล้วผมก็เทก๋าเตี๋ยวลงไปนะได้ไหมก็บอกก็ได้เพราะยังชื่อว่าอยู่ในภาชนะเดียวก่อนที่จะผ่านเข้าปากเนี่ยลงไปในภาชนะนี้ก่อนอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าธุดงไม่ขาดแต่ก็เป็นการเหลื่อมเวลาแต่พระบางองค์บอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะ <c oughs> แต่เราก็ว่ามันได้เพราะว่ามันยังจัดอยู่ในภาชนะเดียวและจากเหตุตาใจ บ, บางอย่างเช่นเราได้ทั้งมะม่วงทั้งเงาะทั้งอะไรมา เราก็ไม่ได้ปนอยู่เนี้ยนะเราก็หยิบพวกนี้ออกก่อนปอกเปลือกอะไรต่ออะไรไม่มีใครกินไปทั้งเปลือกอย่างนี้ใช่อหมอไอพวกเปลือกเนี่ยเวลาออกมาแล้วแกะเปลือกเหลือครึ่งเปลือกเนีเ่ยเปลือกเป็นภาชนะสองไหมอ็คิดกันขนาดนี้นะอ่าใช่ไหมเราก็เลยพิจารณาว่าไอเปลือกของผลไม้เนี่ยไม่ควรจะเป็นภาชนะสองอโอมันมีเรื่องให้คิดเยอะเรื่องวิญญาณเนี่ยนะพระห้ามฉันห้ามปรุงอาหารเองแล้วได้มาม่ามาใส่น้ําร้อน ใส่ไปนเนี่ยปรุงอาหารไปเนี่ยนมี่ปัญหาแล้วต้องมาถามไอ้กรึ๊คลิศผมปรุงอาหารไปเนี่ยผมใส่น้าร้อนใน <laughs> มาม่าเนี่ยก็ <laughs> ลเลยบอกว่ามันไม่น่าปรุงนะครับอาจารย์นะไอ้กอนดอิวกาจันโสพลนี่ก็คุยกันการปรุงอาหารน่าจะเป็นจากอาหารดิบมากกว่าแล้วก็ทําให้มันสุกนะนั้นถ้าเราเอไอ้ตัวมามา่มาเนี่มันก็กินเลยก็ได้อยู่แล้วหรือว่าจะผสมน้ำก็ได้ เวลาไปวิเวกมันก็หาน้ำร้อนไม่ได้ก็ใส่น้ำเปล่าเนี่ยผสมไปนะการเรียนพุทธดองครอาจารย์ครับขอท่งประสุครับอ่าเจนเจนรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้พิสุจน์ต้องหลายพิสุจน์ต้องหลายจงไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จากไม่เพิกถอนสิ่งที่มันหยัดไว้แล้วจากสมาทานศึกษานาสิกาบทที่มันหยัดไว้อย่างเข็งขัดอยู่เพียงใดความเจริญเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่มเลยอยู่เพียงนั้นพระอาจารย์ครับทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้เพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่มัญญัติไว้ครับก็ว่าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูผู้เดียวในโลกนะสาวกเนี่ยไม่ใช่สัพพัญญู เป็นแค่มักคานุขาผู้เดินตามตถาคตรู้มักก่อนรู้แจ้งมักฉลาดในมักนะเป็นมักคโกวิโสฉลาดในมักและพระองค์สามารถกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดได้นะแล้วก็คำพูดของพงษ์ไม่มีการขัดแย้งกันซึ่งพรงค์ไม่เคยชมสาววคนใดว่าเธอสามารถกำหนดสมาธิทุกครั้งได้ในการพูดหรือว่าคำพูดของเธอไม่มีการขัดแย้งกันตั้งแต่ราตรีที่ตัดสั้ถึงปรีพานไม่เคยชมใครขนาดนั้น แล้วก็ไม่เคยบอกว่าคําของสารีบุตรเป็นอากาลิโกอย่างไงก็ไม่เคยบอกเอาไว้ก็จะมีแต่คําตถาคตผู้เดียวนะดังนั้นพุทธเจไม่ได้ดูถูกสาวกตัวเองแต่รู้ขีดจํากัดของความเป็นสาวกว่าสาวกในบา ร, รมีสาวกได้แค่นี้นะเป็นผู้ฟังเข้าใจเดินตามได้ถึงที่หมายได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่จะมาบัญญัติอะไรได้นะ <c oughs> การบัญญัติหรือการภาษิทธิขึ้นมาในคําของสาวกเนี่ย ในบางครั้งผู้เจ้าเนี่ยรับรองรับรองในครั้งนั้นนะไม่ได้รับรองไปตลอดไม่ใช่ว่ารับรองแล้วเนะี่ยคนนั้นจะพูดถูกไปตลอดไม่ใช่เพราะจะมีปริพาชคบางคนแล้วผู้เจ้าก็รับรองเหมือนกันถ้าอย่างนี้ปริพาโชคคนนี้หลังจากผู้เจ้ารับรองแล้วคําพูดทุกคําของเขาก็ถูกไปตลอดอย่างนี้เลยก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันก็ไม่ต่างกับการรับรองสาวกหลักเดียวกันเทวดาก็เหมือนกันเทวดา guide, พูดมาแล้วผู้เจ้ารับรองก็มีไม่รับรองก็มี เมื่อรับรองแล้วก็ไม่ใช่ว่ารับรองคำพูดเทวดากนนี้ไปตลอด น, นะเนี่ยเนี่ยต้องให้แยกข่ายตรงนี้ม่งั้นคนจะมีคําพูดบอกว่าอา่ะภาษาริบุตรเนี่ยพูดมาพระเจ้าก็เคยรับรองแล้วคําพูดของสารีิบุตรไม่ดีเหรอคําต่อต่ อ, ตอไปก็จะมีแย้งอย่างนี้นะอแต่สารลิบุตรเนี่ยพูดคําพระพุทธเจ้านะหลายๆครั้งที่เราไปดูเนี่ยพภาษาลิบุตรจะก๊อปปี้คำพระเจ้าเท่านั้นเพียงแต่ท่านตัดต่อเก่งหยิบตร ง, น, น, ตรง น, รรนู้นมาใส่ตรงนี้หยิบพระสูตรนั้นมาใส่อย่างเนี้ยอืม แล้วก็ในบางคราที่ภาษาลิบุตพูดเองก็เขาจะเอาเอาไปถามพระพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้ารับรองเขาก็จะทรงจากันหรือพระมหาการณ์นั้นเนี่ยนะมีพระมาให้ท่านอธิบายเพิ่มท่านยังไม่กล้าเลยท่านบอกไปแห ม, แมพวกท่านพลาดลมาถามผมเนี่ยท่านเนี่ยอยู่ต่อหน้าผู้เจ้าทำไมไม่ถามนะอยากได้กันไม้ดันเลยมาถึงกิ่งอ่อนยอ่อนอ่อนอ ท่านอนธิบายไปเสร็จปุ๊บท่านก็บอกอย่าเพิ่งจำคำของท่านนะให้ไปถามภาศาสดาก่อนเ น, นี่ยพระาหานยังไม่กล้ารับรองคำพูดตัวเองเลยแต่ตัวเองเข้าใจาอย่างเนี้ยนะถ้าผู้เจ้ารับรองเนี่ยเขาถึงจะทรงจําเสมือนหนึ่งคำํำผู้เจ้าเหมือนกันนี่ให้เข้าใจพู้เจ้จนะเป็นอย่างนี้นะอแล้วถ้าบันหยัดเพิ่มหรือตัดทอนจะผิดไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ความผิดคือทําให้าศาสนานเสื่อมนะ ทำให้ศาสนาเนี่ยคำพระสัทธรรมพระศัทธรรมของพระตถาคตจะค่อยๆสูญไปที่พระสัจดาอุปมาเปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ที่เมื่อแตกแล้วก็เอาเนื้อไม้อื่นทำเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตูกกลองก็หมดไปนีคนรุ่นหลังก็จะจําคําที่แต่งใหม่ไปเรื่อยๆทีละเล็กทีน้อยเวลาบัญญัติใหม่ไม่ได้บัญญัติทีละเยอะนะคนนึงก็แถมหน่อยหนึ่ง เลยก็เลยมักจะมีต่อรองแหมาอาจารย์ผมแถมหน่อยหนึ่งไม่ได้แล้วไม่ได้นะอ่านั้นคนบางคนก็ถามอาจารย์พิกฤทธิก็ยกอนอนในนี้เพิ่มก็ใช่ถุกแล้วอย่าไปจําตรงนั้นจะไปจําเลยนะโยนทิ้งไปได้เลยให้กลับไปหาคำพุทธเจ้าอย่างเดียวนะอ่านั้นตัวสาวพกนี้ไม่มีคําสอนหรอกมีคําสอนไม่ได้เลยนะมีแต่คาตะตาโค ต, ต้ตนนั้นแหลนะนะอ่าเพราะอุปมาของพระเจ้าก็จะลิงก์กันหมดเชื่อมโยงกันหมด เป็นเครือข่ายหลายคำของผู้ช้าเนี่ยเป็นครงข่ายเลยเป็นระบบเรียกว่าระเบียบแ่งถ้อยคำํำมีความลึกซึ้งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละเป็นอย่างนี้เนะาะขอคุณครับอ่าใบสองแล้วจ้วยเดี๋ยวได้ไปพักกันเนะาะอนุโมทนากับทุกคนเนาะที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคําของพระศาสดาข อ, าอาให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของตถาคต คิดฟังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนากตการใกล้โดยเท่า ก, กันทุกท่านทุกคนเถิด